วันนี้พวกเราก็ได้มา <c oughs> รวมกันต่อกอบกิจทางศาสนาที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดไว้สอนไว้ให้เร่งประกอบกันเพราะวันเวลานั้นเป็นของที่ไม่แน่นอนชีวิตของเราก็เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน มีการเกิดย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาเวลาที่ร่างกายจะดับไปนั้นก็ไม่มีใครสามารถไปกาหนดได้ว่าจะเป็นวันนั้นเป็นวันนี้ดังนั้นจึงไม่ควรตั้งอยู่ในความประมาณคือไม่ควรจะผัดวันประกันพรุ่งอย่าไปคิดว่าชีวิตของเรานี้ จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆอย่าไปคิดว่าเราจะมีเวลาประกอบกิจที่พระพุทธเจ้าส่งมอบไว้ให้ประกอบได้เมื่อไหร่ก็ได้เพราะว่าเราอยู่ภายใต้กฎของอนิจจังร่างกายอยู่ภายใต้กฎของความไม่แน่นอนผู้ชลาดจึงไม่ประมาท เชิงรีขวนควายประกอกินที่พึงจะกระทําให้เสร็จสิ้นไปเพราะเมื่อกิดนี้เสร็จเสร็จแล้วก็จะไม่มีกิจอันใดที่จะต้องทําอีกต่อไปเพราะไม่มีปัญหาไม่มีสิ่งที่จะทําให้ต้องมาทําอะไรอีกต่อไป สิ่งที่เราตอนนี้ยังต้องทํากันอยู่เรื่อยๆก็คือการบําบัดทุกข์บำบัดสุขแต่การบําบัดทุกข์บำบัดสุขของเรานี้ไม่ได้เป็นไปตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าได้ทรงดําเนินมาและทรงสั่งสอนให้บําเพ็ญกันการบําบัดทุกข์บำบัดสุขของพวกเราจึงเป็นการบําบัด สุขบำรุงทุกข์เสียมากกว่าคือความทุกข์ของเรากลับมีเพิ่มมากขึ้นไปความสุขของเรากลับมีน้อยลงไปถ้าเราเปรียบเทียบสมัยที่เราเป็นเด็กกับสมัยที่เราเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเราจะเห็นว่าสมัยที่เราเป็นเด็กนี่ความทุกข์ของเรามีไม่มากความสุขของเราจะมีมากกว่า แต่พอเราจะเดินต่อตัวๆๆขึ้นมามากขึ้นมากขึ้น <c oughs> <c oughs> เรามีความสามารถที่จะเดินไปในทางผิดได้มากขึ้นเราจึงสร้างความทุกข์ให้กับเรามากขึ้นรักษาความสุขให้มีให้น้อยลงไปสมัยเด็กๆ เ, เราทุกข์อยู่กับเรื่องอะไร ก็ทุกกับเรื่องของเล็กๆน้อยๆเช่นของเล่นของอะไรไปวันหนึ่งไปวันวันหนึ่งแต่ไม่มีทุกอย่างที่เรามีกันอยู่ในทุกวันนี้ <c oughs> เพราะว่าความอยากของเราในสมัยที่เป็นเด็กๆ ก, กับความอยากของเราในสมัยนี้มีความแตกต่างกันว่าความอยากของเราในสมัยเด็กๆนี่ไม่ต้อง ใช้อะไรมากเพื่อตอบสนองเพียงได้กินขนมได้กินขนมได้กินของที่อยากจะรับประทานอย่างสองอย่างก็มีความสุขแล้วแต่ความอยากของเราตอนนี้มันมันมีมากกว่าการกินขนมอย่างสองอย่างมันมีความอยากอะไรมากมายกายกองจึงทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นมามากมายก่ายกอง เพราะเราไม่ได้บำเพ็ญตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้บําเพ็ญนั่นเองแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้บําเพ็ญก็คือการลดละความอยากต่างๆให้น้อยลงไปไม่ใช่ให้เพิ่มมีมากขึ้นไปนี่คือการบําเพ็ญของพวกเรา การบำบัดทุกบำาลุงสุขของพวกเรานั้นกับการเป็นการบำบัดสุขบำลุงทุ ก, กันเนื่องจากเราไม่ลดละความอยากความต้องการต่างๆกันแต่กับเพิ่มความอยากความต้องการให้มีมากขึ้นสมัยเด็กๆมีเงินันลาสิบบาทยี่สิบบาทก็ดีออกดีใจมีความสุขสมัยนี้มีเงินวนลาร้อยสอง้อย ก็ยังไม่มีความสุขมีความทุกข์เพราะไม่พอวันวันพันสองพันก็ยังไม่พอตัว อ, อย่างน้อยวันละมื่นสองหมื่นหรือแสนสองแสนถึงจะรู้สึกว่าพอทำไมมันถึงต้องการมากมายขนาดนั้นก็เพราะว่าเราเริ่มรู้มากเริ่มรู้เรื่องของต่างๆที่มีมากในโลกนี้ ของต่างๆในโลกนี้ก็มีราคาที่มากสมัยเด็กๆเราไม่รู้จากของต่างๆตอนก็เลยไม่มีความต้องการของต่างๆอะไรมากนะของที่เราอยากจะได้ก็คือของเล่นของกินอะไรเล็กๆน้อยๆราคาไม่กี่สตางค์ <c oughs> แต่สมัยพอเราโตขึ้นมาเราเริ่มเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้รู้จักสิ่งนั้นสิ่งนี้ ก็เลยทำให้เกิดความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เพิ่มมากขึ้น <c oughs> จึงทำให้ <c oughs> การที่จะต้องตอบสนองความอยากนั้นหนักขึ้นมากขึ้นการจะได้สิ่งที่เราจะตอบสนองความอยากของเรานี่ก็ต้องได้มาด้วยความยากเย็ยนเพราะเราก็ต้อง ทำมาหากินหาเงินหาทองเพื่อที่จะได้นำเอาม า, มาซื้อสิ่งต่างๆที่เราอยากได้กันแล้วก็ถ้าไปซื้อแบบในลักษณ ะ, ะซื้อแบบเงินผ่อนอันนี้ก็ยิ่งจะทำให้เกิดความทุกข์เพิ่มมากขึ้นาะจะ ซื้อของมามากกว่าที่เราจะมีกำลังที่จะชจ่ายได้หรือจ่ายได้แบบก็ต้องไม่มีโอกาสที่ผิดพลาดคือรายได้ของเรานี้จะไม่มีวันหดหรือไม่มีวันหยุดถ้ารายได้เราหดหรือรายได้เราหยุดไปเมื่อไหร่ตอนนั้นก็จะเกิดปัญหาขึ้นมาเพราะจะไม่สามารถ การหนี้ที่เราไปสร้างไว้ได้ท่านั้นก็จะเลือดร้อนทางจิตใจเพราะไม่อยากจะสูญเสียสิ่งที่ซื้อมาไป <c oughs> ก็จะทำให้ต้องเดินหล่นเพิ่มมากขึ้นทำงานหนักขึ้นไปเวลาพักผ่อนเวลาที่จะมาทำประโยชน์ทางด้านจิตใจก็จะมีน้อยลงไป ถ้าไม่พอก็อาจจะต้องทำโดวยวิธีทุจริตทำผิดกฎหมายบ้างทำผิดศีลธรรมบ้างก็จะสร้างความทุกข์สร้างโทษให้แก่จิตใจเพิ่มมากขึ้นไปอันนี้เป็นเพราะว่าไม่ควบคุมความอยากไม่ลดละความอยากปล่อยให้ ความอยากนี้เป็นความเจริญเติบโตเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองเพราะว่าไม่ได้สนใจที่จะปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ถ้าสนใจที่จะปฏิบัติแล้วก็จะสามารถที่จะ <c oughs> ควบคุมความอยากตา่างๆ ให้อยู่ในกรอบของความพอดีหรืออยู่ในกรอบของการไม่มีเลยก็ได้เบื้องต้นเราก็ต้อง <c oughs> พยายามใช้ให้พอเหมาะกับฐานะของเราอย่าไปใช้ตามความอยากของเราเราหามาได้เท่าไหร่เราควรที่จะแบ่งรายได้ของเรา <c oughs> เป็นส่วนส่วนไปรายได้ที่ได้ต้องใช้กับสิ่งที่จําเป็นเช่นปัจจัยสี <c> ่ <oughs> เราก็แบ่งเอาไว้รายได้ที่เราจะต้องเก็บเอาไว้ในอนาคตเ <c> ผ <oughs> ื่อเพื่อเวลาที่มีการาตกนะหรือว่ารายได้ขาดรายได้ไม่สามารถหารายได้ ฉันอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือออกจากงานก็จะได้อาศัยเงินที่สะสมเก็บไว้นี้มาจุนเจือต่อ <c oughs> แล้วก็ต้องแบ่งไว้อีกส่วนนึงไว้มาเพื่อเป็นการ <c oughs> ลดละของความอยากคือแทนที่จะเอาเงินที่เหลือนี้ไปใช้ตามความอยากเราก็เอาเงินที่เหลือจาก การที่เราแบ่งไว้ให้แก่สิ่งที่จําเป็นนั้นเอามาใช้ในการทําลายความอยากหรือลดความอยากเช่นเรามีร้อยส่วนเราแบ่งไว้เจ็ดสิบส่วนสําหรับค่าใช้จ่ายที่จําเป็นและเงินสะสมไว้ใช้ในอนาคตเรามีเหลืออยู่สามสิบส่วนเร า, าก็เอามาสามสิบส่วนนี้มาหยุดความอยากกันดีกว่า อย่าเอามาสร้างความอยากถ้าเราเงินสาสิบส่วนนี้มาซื้อของตามความอยากคือซื้อของที่ไม่จําเป็นซื้อของฟุ่มเฟือยซื้อความสุขทางตาหัวจมูกร่างกายมันก็จะทําให้ความอยากในสิ่งเหล่านี้มีเพิ่มมากขึ้นถ้าเราอยากจะลดความอยากในสิ่งเหล่านี้เราก็เอาเงินสาสิบส่วนนี้มา มาทาบุญให้ทานมาแบ่งปันให้แก่ผู้ที่ดกทุกได้ยากผู้ที่อดอยากขาดแคลนเจ็บไข้ได้ป่วยผู้ที่ต้องพึ่งพาอาศัยความช่วยเหลือของผู้อื่นเรากงินนี้มาทำทานกัน <c oughs> ถ้าเราทำทานในส่วนนี้ได้เราก็จะเราก็จะควบคุมความอยาก ที่เรามีอยู่นี้ไม่ให้ <c oughs> ไม่ให้จเจริญนติบโตกขึ้นมาออย่างน้อยเราก็บังคับไว้ให้มันอยู่ในระดับเดิมทุกครั้งที่อยากจะซื้อขนมนมเนยที่ไม่จําเป็นที่รับประทานแล้วแทนที่จะเป็นประโยชน์กับร่างกายกลับเป็นโทษกับร่างกายทําให้ร่างกายมีน้ําหนักเพิ่มเกินไป ทำให้เกิดโรคภัยใข้เจ็บขึ้นมาทำให้รูปร่างกายเป็นตุ่มไปอันนี้เราก็เอาเงินนี้มาซื้ออาหารให้แก่ผู้อื่นซื้อขนมนมเนยให้แก่ผู้อื่นเห็นคนที่เขาไม่เคยได้รับประทานขนมนมเนยอะไรต่างๆก็ซื้อไปให้เขากินแช่เอาอาหารไปเลี้ยงตามบ้านคนชราตามบ้านเด็กพิการทางสมองทางร่างกาย ช่วยเหลือแบ่งปันความสุขให้แก่ผู้อื่นแล้วเราจะสามารถที่จะล <c oughs> ดละความอยากคือที่เป็นตัวที่จะ <c oughs> สร้างปัญหาให้กับเราเนี้ไม่ให้มีกำลังเพิ่มมากขึ้นและในขณะเดียวกันก็ทำให้เรามีความสุขแบบหนึ่งคือความสุขใจที่เกิดจากการชนะ ความอยากนี้เองเวลาเราอยากได้อะไรแล้วเราเปลี่ยนใจไม่อยากได้ใจของเราจะมีความสุข <c oughs> มากกว่าเวลาที่เราได้ะสิ่งที่เราอยากได้เพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะมีความสุขจากสิ่งที่เราได้มาแต่มันมีความสุขเดี๋ยวเดียวแล้วเดี๋ยวก็จะเกิดความอยากขึ้นมาใหม่ที่มีกําลังแรงกว่าเก่าทําให้ความสุขที่ได้มาจากการได้สิ่ง นั้นมานั้นหายไปแล้วก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาใหม่ทุกข์ในขณะที่อยากได้และทุกข์ในขณะที่ไม่ได้ดังใจแต่ถ้าเราเปลี่ยนการใช้เงินส่วนนี้มาให้กับการทําลายหรือลดละความอยากต่างๆความอยากของเราก็จะเบาลงไป แล้วนะความสุขความสบายใจก็ <c oughs> จะมีเพิ่มมากขึ้นนี่คือวิธีหนึ่งที่พระเจ้าทรงสั่งสอนที่ทรงสอนให้ทำทานนี้เองทานก็คือการให้ให้เอาเงินส่วนที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องอาศัยนี้มาทำทานมาลดปัญหาความอยากแล้วก็มาสร้างความสุขใจอิ่มใจ ที่เกิดจากการให้อนี้อันนี้เป็นขั้นแรกวิธีที่หนึ่งของการที่เราจะาตัดกำลังของความอยากที่เป็นตัวสร้างความทุกข์ให้กับเราแล้วความทุกข์ของเรานี้จะเบาบางลงไปความสุขของเราจะมีเพิ่มมากขึ้นนี่คือเรียกว่าวิธีบาบัดทุกข์บรรงสุขที่ถูก ตามหลักของความจริงับ <c oughs> ุจริงดบบความทุกข์ได้จริงๆบำบัดความทุกข์ได้จริงๆ <c oughs> บำรุงความสุขได้จริงๆเ <c oughs> ช่นคนที่ต้องใช้เงินซื้อสุรามาดื่มอย่างนี้ถ้าไม่เอาเงินนี้ไปซื้อสุรามาดื่มเอาเงินนี้มาซื้ออาหารไปให้แก่ผู้ที่เขา <c oughs> อดอยากขาดแคลน ก็จะได้ประโยชน์หลายทางด้วยกันทางร่างกายก็คือร่างกายไม่ต้องรับสารพิษเข้าไปอาอยุก็จะไม่สั้นลงไปโรคภัยไข้เจ็บก็จะน้อยลงไปแล้วทางจิตใจก็จะไม่วุ่นวายใจเวลาที่อยากจะดื่มสุราแล้วไม่ได้ดื่มหรือเวลาดื่มแล้วก็ไปสร้างโทษไปสร้างเรื่องราวต่างๆขึ้นมา เนื่องจากเวลามึนเมาแล้วก็ไม่สามารถที่จะควบคุมการกระทำการพูดได้พูดที่ดื่มสุรายาเมานี้มักจะไปทำเหตุไปทำเรื่องที่เสียหายตามมาแต่ถ้าไม่ได้ดื่มสุรานี้ก็จะไม่มีปัญหาตามมาอันนี้ก็เกิดจากการที่รู้จักใช้เงิน ที่หามาได้ด้วยความลาบากยากเย็นไปในทางที่ถูกที่ควรไปในทางของการบําบัดทุกบํารุงสุขอย่างแท้จริงถ้าเอาเงินนี้มาซื้อสุรามาเดื่ง <c oughs> ก็จะเป็นการ <c oughs> <c oughs> บำบัดบำบัดสุขบำบลุกทุกจะสร้างความทุกข์ให้มีเพิ่มมากขึ้นคนที่ติดสุราเนี่ยมีปัญหามักจะไปทําผิดกฎหมาย เดิมสุลาแล้วก็เมาแล้วก็ยังไปขับรถพอไปขับรถก็เกิดอุบัติเหตุเสียชื่อเสียงไปหมดบางคนมีสถานภาพที่สูงส่งแต่พอปรากฏเป็นข่าวในหน้าสื่อสื่ิมพ์ว่าเมาแล้วขับท่านี้ก็กลายเป็นคนไม่มีหน้ามีตาไปไม่มีใครเข้าให้ความเข้าลกนับถืออีกอันนี้แหละ คือการที่เรา <c oughs> จะสามารถทำให้ชีวิตของเรามีความทุกข์น้อยลงมีความสุขเพิ่มมากขึ้นด้วยการทำตามคำสอน <c oughs> ของขพระพทเจ้าคือรายได้ที่เราหามาได้นี้เราหามาเพื่อบํารุงชีวิตของเราคือปัจจัย4ส่วนหนึ่งถ้ามีเหลือเราก็เก็บไว้สำหรับการบำรุงชีวิตของเราในอนาคต แต่วันที่เราไม่สามารถที่จะมีรายได้อีกต่อไปเราก็จะจะมีรายได้นี้มาดูแลรักษาชีวิตของเราส่วนที่เหลือนี้ก็อย่าเอาไปใช้กับการใช้กับความอยากต่างๆอยากดูอยากฟังอยากลืมอยากรับประทานอันนี้จะเป็น การสร้างความอยากสร้างความทุกข์ให้มากขึ้นไม่ได้บำบัดความทุกข์ให้น้อยลงไปแต่จะสร้างความทุกข์ให้เพิ่มมากขึ้นสร้างปัญหาให้หมีมากขึ้นไปการทำทานจึงมีนิสงอย่างนี้ประโยชน์ของการทำทานก็เพื่อเป็นการตัดความอยากนี่เองอแล้วก็จะทําให้เรานี้สามารถก้าวขึ้นสู่การปฏิบัติขั้นที่สองได้ ก็คือการรักษาศีลการละเว้นจากการทำบาป5้าประการ <c oughs> ก็คือฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดตวเวณีพูดปดเสพสุรายาเมาการกระทําทั้งห้าประการนี้ถ้าทําไปแล้วก็จะเกิดโทษกับผู้กระทํา <c oughs> ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต <c oughs> เช่นไปฆ่าผู้อื่นก็จะต้องถูกจับเข้าคุกเข้าตารางไป ตายไปก็จะต้องไปเกิดในอบายเช่นเดียวกับการลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีโกหกหกลอกลวงเสพสุรายามาดังนั้นผู้ที่มีใจบุญสุนทานผู้ที่ทำทานอย่างสม่ำเสมอ น, นี้จะมีความรู้สึกที่จะไม่ชอบสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น เพราะมีความชอบกับการช่วยเหลือผู้อื่นการทำทานนี้เป็นการช่วยเหลือผู้อื่นช่วยให้ผู้มีความสุขจึงไม่อยากที่จะไปทำอะไรให้แก่ผู้อื่นเดือดร้อนเกิดความทุกข์ขึ้นมาผู้ที่ทำทานจึงรักษาศีลง่ายกว่าผู้ที่ไม่ได้ทำทานอันนี้ก็เป็นเป็นการก้าวขึ้นสู่การกระทำการบาบัดทุกข์บำบังสุข ขั้นที่สองเมื่อเราไม่ทำบาปเราก็จะไม่มีความทุกข์ที่เกิดจากการทำบาปนั่นเองเราจะไม่ทุกข์กับการฆ่าการลักทรัพย์การประพฤติผิดประเวณีการโกหกหลอกลวง <c oughs> การเสพสุรายาเมาอันนี้ก็จะทาให้จิตใจของเรามีความสุขมากขึ้น <c oughs> มีความสบายมากขึ้นก็จะทำให้เรานี้สามารถก้าวขึ้นสู่ขั้นที่สาม ของการบําบัดทุกพำรุรงสุขได้ก็คือ <c oughs> ทําให้เราสามารถเจริญสติได้อย่างต่อเ น, นื่องเพราะเราจะมีเวลาที่จะไปปรีคุเวกไปบําเพ็ญการทําจิตใจให้สงดการหยุดความอยากต่างๆเพราะเราไม่จําเป็นที่จะต้องทํางานแบบหามลุง่งหามค่ําแบบเจ็ดวันเจ็ดคืนแบบไม่มีวันหยุดวันหย่อน ก็เราไม่มีความจําเป็นที่จะต้องใช้จ่ายมากเรามีสิ่งที่เรามีเงินทองพอที่จะเลี้ยงดูเราได้มีเงินทองพอที่จะเก็บเอาไว้สําหรับวันข้างหน้าได้เราก็เลยไม่จําเป็นที่จะต้องไป <c oughs> ทํางานทําการมากมายเหมือนอย่างที่เราทํากันอยู่ทุกวันนี้ ที่เราทํากันทุกวันอยู่นี้เพราะว่าเราใช้เงินทองไปกับความอยากนี้เป็นส่วนใหญ่และเป็นส่วนที่มากด้วยและเป็นส่วนที่หยุดไม่ได้พอใช้แล้วมันติดเป็นนิ ส, สัยเช่นพอดื่มสซร่าแล้วก็เลิกดืมไม่ได้พอสูบบุหรี่แล้วก็เลิกสูบไม่ได้ <c oughs> พอเที่ยวกลางคืนแล้วก็จะเลิกเที่ยวกลางคืนไม่ได้พอทำอะไรแล้วมันก็จะติดเป็นนิสัยไป ทำให้จ้องใช้เงินใช้ทองมากก็เลยยังต้องทํางานแบบหามลูกหามค่ำเจดวันเจ็ดคืนไม่มีวันหยุดวันหย่อน <c oughs> <c oughs> เพื่อที่จะได้มีรายได้มาใช้กับการซื้อข้าวซื้อของใช้กับความอยากต่างๆนั่นเองแต่ถ้าเราทําทานอย่างสม่ำเสมอเราก็จะสามารถที่จะหยุด ความอยากใช้เงินไปกับความอยากต่างๆได้เราก็จะไม่ต้องเสียเวลากับการหาเงินหาทอง <c oughs> แบบไม่มีวันหยุดวันย่อนเราจะมีเวลาที่จะได้มาบำเพ็ญจิตตภาวนามาทำการทำความสงบให้กับใจมาหยุดความอยากให้กับใจเพราะการหยุดความอยากให้กับใจนี้ จะทำให้เกิดความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขที่ได้จากการทําตามความอยากต่างๆ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นขั้นที่สามของการบำบัดทุกข์บำรงสุขตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ปบำเพ็ญกัน <c oughs> พอเรามีเวลาปลีกไปเวกเราก็จะได้ไม่ต้องมาวุ่นวายไปกับเรื่องราวต่างๆ เรื่องของการทํามาหากินเรื่องของการทำอะไรตามความอยากต่างๆเพราะเราจะควบคุมจิตใจของเราควบคุมการกระทําการพูดของเราให้น้อยลงไปให้มีน้อยลงไปโดยเฉพาะการกระทําตามความอยากต่างๆศีลที่เราเคยรักษา5ข้อเราก็เพิ่มเป็นแปดข้อข้อที่สามเราก็ถือเป็นศีลปรมาจารย์ คือเราจะไม่หาความสุขตามความอยากด้วยการร่วมหลับนอนกับผู้อื่นเราจะข้อหก็เราก็จะไม่หาความสุขจากการอยากรับประทานอาหารแบบไม่มีขอบมีเขตไม่มีเหตุไม่มีผลเราเราจะไม่รับประทานอาหารตามความอยากเราจะรับประทานอาหารตามเหตุตามผลตามเวลาตามความต้องการของร่างกาย ไม่ใช่ตามตามความต้องการของจิตใจของตันหาความอยากแล้วเราก็จะควบคุมการหาความสุขจากการบันเทิงต่างๆซึ่งเป็นความอยากในกามกาลมตันหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลพระไม่หาไม่ดูไม่ฟังไม่ร้องลำมทำเพลงไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องบันเทิงทั้งหลาย ไม่เกี่ยวกับคั่งกับเรื่องของสวยๆงามๆเช่นเสื้อผ้าอาพรน้าหอมน้ามันเครื่องสามาต่างๆอันนี้เป็นการเสียเวลาเป็นความสุขเชั่อปฏิโยก็ดาวไม่ใช่เป็นความสุขจริงเป็นความสุขพรอมซูเอาเวลาที่หมดไปกับการเสียเวลากับสิ่งเหล่านี้มาเจริญสติ มาควบคุมความคิดต่างๆไม่ให้คิดปรุงแต่งไปในทางความอยากเพื่อใจจะได้เข้าสู่ความสงบได้แล้วก็จะพักผ่อนหลับนอนตามความต้องการของร่างกายจะไม่พักผ่อนหลับนอนตามความอยากของกิเลสตัณหาวิธีพักผ่อนตามความอยากของกิเลสตัณหาก็คือต้องหลับนอนบนฟูกหนาๆสบายๆเวลา ร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วแต่นขึ้นมาก็จะไม่อยากจะลุกเพราะที่นอนมันนุ่มมันสบายก็จะหลับต่ออีกสี่ห้าชั่วโมงแทนที่จะหลับเพียงสี่ห้าชั่วโมงก็จะกลายเป็นแปดเ้าชั่วโมงไปก็จะเสียเวลาอันมีค่าที่จะเอามาใช้ในการบําเพ็ญคือมาเดินจงกรมนั่งสมาธิดังที่พระเจ้าทรงสอนให้นักบวชนักปฏิบัติทั้งหลายบําเพ็ญกัน คือตั้งแต่เวลาหกโมงเย็นถึงสี่ทุ่มก็ให้เจริญสติด้วยการเดินจงกรมนั่งสมาธิกันจากสี่ทุ่มถึงตีสองก็ให้พักผ่อนถ้าพักผ่อนบนพื้นไม้พื้นแข็งที่ไม่ที่ไม่นุ่มก็ร่างกายก็จะพักไม่เกินสี่ห้าชั่วโมงพอได้พักพอตื่นขึ้นมาก็จะไม่อยากนอนต่อเพราะมันไม่นุ่มไม่สบาย ก็จะลิบลุกขึ้นมาเดินจงกรมนั่งสมาธิต่อจากตีสองตีสองถึงหกโมงชา้าหลังจากหกโมงช้าก็ไปทําภารกิจเกี่ยวกับทางด้านร่างกายเป็นพระก็ไปออกบิณฑบาตไปหาอาหารมาคบมาฉัน <c oughs> จนกว่าจะเสร็จภารกิจทางด้านร่างกายแล้วก็กลับมาเดินจงกรมนั่งสมาธิต่อจนถึงยามบา่ายก็พระ ก็ทำหน้าที่ในการทำความสะอาดสถานที่พักกวาดกวาดถูปัดกวาดลานวัดอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็มีเวลาถ้ามีน้ำปานะอยากจะดื่มน้ำปานะให้แก่ร่างกายก็ดื่มได้น้ำปานะก็คือน้ำที่เป็นน้ำข้นมาจากผลไม้ที่มีขนาดไม่เกิน <c oughs> กําปั้นเช่น น้ำละลายที่ใหญ่ของกัมปั้นผลไม้ในที่ใหญ่กว่กัมปั้นก็ไม่สามารถจะเอามาใช้เป็นน้ำปนานได้เช่นสับประรดนี่ถือว่าใหญ่กว่า <c oughs> แต่ส้มนี่ถือว่าขนาดพอพอกับกัมปั้นก็สามารถที่จะเอามาบีเอ า, <c oughs> เอาน้ำของผลไม้มาดื่มแต่ต้องเป็นอน้ำล้วนๆคือไม่ให้มีกากไม่ให้มีเนื้อต้องใช้ผ้ากรองออกไป ก็ไม่ต้องการให้รับประทานเป็นอาหารให้รับประทานเป็นเภสัชคืนน้ําปนานะอันนี้ถือว่าเป็นเภสัตชอย่างหนึ่งช่วยรักษาเยียวยาร่างกายหลังจากที่ได้ดื่มน้นําปานะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กลับมาถ้ามีกิจส่วนตัวต้องทําอะไรก็ทําไปจนถึงเวลาอาบน้ำอาบท่าส่งน้ําพอถึงเวลาหกโมงเย็นก็เดินจงกรมนั่งสมาธิต่อ อันนี้คือกิจของผู้ผิดวิเวก ข, ของผู้ที่เจริญจิตตภาวนาผู้ที่ต้องการความสงบทางใจผู้ที่ต้องการความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งหลายในโลกนี้อันนี้แหละคือกิจของผู้บำเพ็ญตั้งแต่ตื่นจนหลับให้เจริญสติเป็นหลักเสมอทางด้านจิตใจ ส่วนทัทงด้านร่างกายก็ทำอะไรไปตามความเหมาะสมถ้านั่งนานไปเมื่อยกนุกงขึ้นมาเดินถ้าเดินเมื่อยก็กลับมานั่งถ้ามีภารกิจทำก็ทำไปแต่ในขณะที่ทำก็ให้มีสติจดจ่ออยู่กับาการกระทำอยู่ตลอดเวลาการยำเลงสตินี้ไม่เปลี่ยนไปไม่ว่ากำลังจะทำอะไรก็ตาม จะเดินจงกรมนั่งสมาธิจะปัดกวาดจะเดินบินท่าป่จะทำกับข้าวกับปลาจะขบฉันจะอาบน้ำอาบท่าทำอะไรก็จเจริญสติต่อไปอยู่ตลอดเวลาถ้าใช้พุทโธก็บริกรรมพุทโธไปเป็นเป็นหลักไปถ้าใช้การเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ดูไปเป้าหมายก็คือไม่ให้ไปคิดเรื่องต่างๆนานาะให้อยู่กับปัจจุบัน ให้อยู่กับเรื่องเดียวให้สัตว์แต่ว่ารู้เช่นถ้าเราใช้ร่างกายก็ให้สัตว์แต่ว่ารู้รู้ว่าขณะนี้ร่างกายกำลังทำอะไรอยู่เท่านี้ก็พอไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ <c oughs> หยุดความคิดเพราะความคิดนี้ส่วนใหญ่ทำให้ใจเราไม่สงบทำให้ใจของเราวุ่นวายฟุ้งซ่านเราต้องควบคุมความคิดนี้ให้ได้ ถ้าควบคุมความคิดได้ใจก็จะรวมรวมเข้าสู่ความสงบได้พอเข้าสู่ความสงบแล้วเราก็จะได้เข้าสู่ความสุขที่แท้จริงความสุขที่ไม่ต้องอาศัยสิ่งต่างๆในโลกนี้มาเป็นเครื่องไม้เครื่องมือไม่เหมือนกับความสุขที่พวกเรากำลังหากัวเองทุกวันนี้เราต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือต้องมีร่างกายต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสผทพะมาให้เสพสัมผัส ถ้าส่วนใดส่วนหนึ่งมันบกพร่องไปความสุขส่วนนั้นก็จะหายไปถ้าตาไม่ดีความสุขทางตาก็จะหายไปหรือตาดีแต่ของที่ดูไม่ดีก็เป็นความทุกข์ขึ้นมาได้เห็นภาพที่ไม่ถุกอกทุกใจเห็นภาพที่ทําให้เกิดความทุกข์ใจ<ม>ก็เป็นไปได้เพราะรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี้ก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ใช่ว่าจะให้ความสุขกับเราเสมอไป ความทุกข์ของเราก็เกิดจากการได้เสพสัมผัสลูกเสียงเกิดลดผดต่อพะเหมือนกันบางครั้งก็เสพกับลูกที่ถูก อ, อกถูกใจก็มีความสุขบางครั้งไปเสพกับลูกที่ไม่ถูก อ, อกถูกใจก็มีความทุกข์เวลาได้ยินเสียงสรรเสริญก็มีความสุขเวลาไปได้รับเสียงนินทาว่ากล่าวติเตียนก็มีความทุกข์ขึ้นมา นี่คือความสุขที่พวกเราแสวงหากันเป็นความสุขที่ไม่แน่นอนและเป็นความสุขที่ไม่ถาวรเพราะร่างกายที่เป็นเครื่องมือในการหาความสุขเหล่านี้ย่อมมีความเสื่อมลงไปตามลำดับตาหูจมูกลิ้นกายย่อมเสื่อมสมรรถภาพลงไปตามลำดับแล้วต่อไปก็อาจจะไม่สามารถใชู้าตาหูจมูกลิ้นกายเป็นเครื่องมือ ความสุขทางตาหูจมูกทิ้งกายได้เวลานั้นก็จะมีแต่ความเศร้าส้อยงอยเหงามีความเบื่อนายบางครั้งก็คิดอยากจะข้าวตัวตายไปโดยเฉพาะเวลาที่ต้องสัมผัสกับผลทระะที่ไม่พึงปรานาเช่นความเจ็บปวดต่างๆทางร่างกายที่เกิดจากโกาครคภัยไข้เจ็บต่างๆที่รักษาไม่หาย <c oughs> แต่ถ้าเรา รู้จักวิธีหาความสุขภายในใจได้ความสุขภายในใจนี้จะทำให้ไม่เดือดร้อนกับความเจ็บความปวดของทางร่างกาย <c oughs> แล้วก็ไม่เดือดร้อนกับความเสื่อมของตาหูจมูกลิ้นกายเพราะการหาความสุขทางใจนี้ไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ตาหูจมูกลิ้นกายนั่นเองเช่นเวลาเรานั่งสมาธิเราก็หลับจาหลับหูหลับอะไรต่างๆทวารทั้งห้าเราก็ปิดัน ไม่ไปสนใจรอกดูให้เราเกาะติดอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นการบริกรรมพุทโธพุทโธไป <c oughs> ใจของเราก็จะเข้าสู่ความสงบเข้าสู่ความสุขได้นะแล้วถ้าเราทำบ่อยๆต่อไปเราก็สามารถเข้าได้อย่างรวดเร็วเหมือนกับการขับรถเวลาขับรถใหม่ๆนี้รู้สึกว่าเราจะต้องคอยทําอะไรหลายอย่าง ต้องคอยเหยียบน้ำมันคอยเหยียบเวรคคอยเข้าเกียร์คอยจับพวงมาลัยรู้สึกว่าเป็นงานที่ยุ่งยากมากมายแต่หลังจากที่เราทำบ่อยๆเข้ามันก็กลายเป็นความเคยชินก็จะความง่ายได้ขึ้นมาแต่ <c oughs> ในตอนต้นเวลาที่เรานั่งสมาธิกันใหม่เราก็จะรู้สึกว่ายากเหลือเกินการที่จะต้องคอยบริกรรมพุโทโธพุโทโธ แล้วก็มีอุปสรรคอะไรต่า ง, างๆมากมากบางทีนั่งแล้วก็หลับก็มีบางทีนั่งแล้วก็ไม่สงบพุ่งสร้างคิดแต่เรื่องนั้นคิดแต่เรื่องนี้บางทีนั่งแล้วก็เจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็ไม่อยากจะนั่ง <c oughs> อันนี้ก็เป็นเพราะว่าสติไม่ไม่ต่อเนื่องถ้าสิถ้าสติต่อเนื่องแล้วอาการต่างๆจะไม่มารบกวนใจใจจะกาะติดอยู่กับพธิ์โทนี้แล้ว จะไม่รู้สึกง่วงเหงาเหานอนจะไม่รู้สึกลำคาญกับอาการเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ของร่างกายจะไม่มีความคิดผงซ่านตามมาใจก็จะดิ่งเข้าสู่ความสงบได้อย่างง่ายได้เนื้อนการที่จะนั่งสมาธิให้เกิดผลขึ้นมาจึงต้องอาศัยการจเจริญสติเป็นจุดเริ่มต้นก่อนต้องให้จิตของเรานี้มีสติอย่างต่อเนื่อง ไม่เขอะไปกับเรื่องอื่นไม่คิดไปกับเรื่องอื่นให้คิดอยู่กับพุโทโธพุธโทโธเพียงอย่างเดียวหรือให้อยู่ในปัจจุบันอยู่กับ ก, บการเฝ้าดูร่างกายอย่าง <c oughs> อย่างไม่คาดสายตาทุกเวลานาทีอันนี้คือเรื่องของการบําเพ็ญจิตธรรมะเพื่อให้จิตให้เข้าสู่ความสงบที่ความสุขที่ที่เลิศที่สุดที่ ดีกว่าความสุขทั้งหลายในโลกนี้ก็เป็นความสุขที่ไม่ต้องอาศัยสิ่งต่างๆในโลกนี้เป็นเครื่องมือร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายไปก็ยังสามารถผลิตความสุขอันนี้ได้เพราะเป็นความสุขของใจผลิตโดยใจไม่ได้ใช้ร่างกายเป็นผู้ผลิตขึ้นมา <c oughs> ถ้าพอเราได้ความสุขนี้เราก็ต้องรักษาความสุขนี้ให้ได้เพราะว่าความสุขนี้จะ จะจางไปเวลาที่ออกจากสมาธิเวลาออกจากสมาธิถ้าไม่เจริญสติต่อความสุขนี้ก็จะหายไปได้ถ้าอยากจะรักษาความสุขต่อก็ต้องอย่างน้อยก็ต้องเจริญสติแต่การเจริญสตินี้ก็มีขอบเขตของความจำกัดก็คือต้องต้องเจริญอยู่เรื่อยๆถึงจะไม่หายไปถ้าเวลาใดเผลอแลวหยุดเจริญสติขึ้นมา มันก็หายไปได้เพราะเวลาเผลอสติก็จะมีตัณหาความอยาโกโผล่ขึ้นมามาทำลายความสงบอันนี้ได้ถ้าอยากจะไม่ให้ความสงบนี้หายไปอย่างถาวรโดยที่ไม่ต้องเจริญสติเช่นไม่ต้องบริกรรมพูดถยต่อไปเรื่อยๆก็ต้องใช้ปัญญาปัญญานี้จะเป็นผู้ที่จะมาะทำลายความอยาก ปัญญาก็คือการการมีเหตุมีผลนั่นเองการดูสิ่งต่างๆด้วยเหตุได้ผลถ้าจิตสงบแล้วไวลาออกมาจิตไม่สงบเพราะอะไรก็จะรู้ออกเพราะความอยากเพราะเกิดความอยากแล้วความสงบที่ได้จากสมาธิมันก็จะหายไปถ้าอยากจะให้ความสงบกลับคืนมาก็หยุดความอยากเท่ น, นั้นเอง ถ้าการจะหยุดความอยากได้ก็ต้องสอนให้ใจชี้ให้ให้ใจเห็นแล้วว่าสิ่งที่อยากได้เนี้มันเป็นรูพิษมันไม่ใช่เป็นอมันไม่ใช่เป็นของเล่นของดีมันเป็นพิษเป็นอันตรายเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่เที่ยงเพราะเราไปควบคุมบังคับให้มันให้ความสุขกับเราไปตลอดได้ได้เราเห็นอะไรเราชอบแล้วที่ว่าได้มาแล้วเราจะมีความสุข เราก็ไปเอามาเราก็ได้ความสุขจากสิ่งนั้นแต่วันดีคืนดีสิ่งนั้นก็เปลี่ยนไปได้พอเปลี่ยนไปแล้วการที่จะการที่ยเคยให้ความสุ ข, ขกับเราก็กลายเป็นการให้ความทุกข์กับเราเช่นเรารักใครคนเราลักใครเราชอบใครเราคิดว่าเราได้เขามาแล้วเขาจะอยู่กับเขาจะให้ความสุ ข, ขกับเราไปตลอดแต่พอมาอยู่กับเขาได้สักพักหนึ่งเขาเปลี่ยนไป ตอนนั้นเราก็จะเ <c oughs> สียใจเราจะทุกข์ใจเพราะเขาไม่ให้ความสุขกับเราเหมือนกับที่เราคิดว่าเขาจะให้เราไปตลอดนั่นเองเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีความไม่แน่นอนมีความ <c oughs> ไม่เที่ยงแท้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆไปตามเหตุตามปัจจัยต่างๆหรือเขาอาจจะดีกับเราไปตลอดแต่ เขามีโรคภัยไข้เจ็บมีอุบัติเหตุทำให้เขาต้องจากเราไปก่อนนี้อันนี้ก็ก็เป็นอา น, นิจังเหมือนกันเป็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นอนัตตาก็คือเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับไปสั่งให้เขาเป็นไปตามความอยากของเราได้พอเรามีความอยากก็จะเกิดทุกข์ขังความทุกข์ขึ้นมาในใจพอเราเห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้นั้น เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็จะหยุดความอยากได้สิ่งต่างๆได้เพราะเราไม่มีความอยากได้ในสิ่งต่างๆเราก็จิตก็จะกลับสู่ความสงบได้เหมือนเดิมเหมือนตอนที่ออกจากสมาธิมาใหม่ๆแล้วก็จะสงบไปอย่างถาวรเพราะว่าเหตุที่จะทำให้ใจไม่สงบนี้จะถูกทําลายไปหมดด้วยปัญญาด้วยตรลัทธ์ด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตา ด้วยอรยาาสัจสีเกิดทุกข์สมุทัยนิโรธมานี่แหละคือปัญญาของทางพระพุทธศาสนาปัญญาของทางพุทธศาสนานี้ไม่กว้างใหญ่ไพศาลเหมือนกับปัญญาความรู้ทางโลกความรู้ทางโลกนี้แตกแยกเป็นหลายสิบหลายหมืน่นหลายพันสาขาได้กันแต่เป็นความรู้แบบท่วงหัวเอาตัวไม่รอดคือไม่รอดพ้นจากความทุกข์นั่นเอง ไม่ว่าจะเรียนรู้วิชาอันใดถึงระดับขั้นปริญญาเอี ก, ก็จะไม่สามารถที่จะมาะดับความทุกข์บำบัดทุกข์บำรงสุขให้แก่จิตใจได้เหมือนกับปัญญาทางพระพุทธศาสนาที่เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาที่เห็นว่าความทุกข์ของใจนี้เกิดจากความอยากและการจะดับความทุกข์ของใจก็ต้องเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี้ทางนี้ อันนี้แหละคือสิ่งที่พระเจ้าทรงตัดสู้ที่ไม่มีใครรู้มาก่อนเป็นความรู้แบบ <c oughs> เรียกว่าเส้นผมบางภูเขาเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆที่มีอยู่ในใจตลอดเวลาแต่ไม่มีใครมองกันแทนที่จะหาวิธีบําบัดทุกบำบัดสุดที่มีอยู่ภายในใจคําตอบมีอยู่แล้วภายในใจกับไม่หาคําตอบภายในใจกันกลับไปหาคําตอบข้างนอกใจ ไปศึกษาเกี่ย ว, วเรื่อวิชาต่างๆจนมีวิชาแทบจะนับไม่ท้วนนะ ว, ว่ามีกี่วิชาด้วยกันแต่วิชาความรู้ต่างๆภายนอกนี้ไม่สามารถที่จะมาหับความทุกข์ภายในใจได้ดังนั้นผู้ที่จะเข้าถึงความรู้นี้ได้ก็ต้องปฏิบัติอย่างที่พระเจ้าได้ส่งปฏิบัติคือทำทานสละราชสมบัติเพื่อจะได้มีเวลาออกบาเพ็ญรักษาศีลปั บำเพ็ญจิตภาวนาได้อย่างเต็มที่ถ้ายัางต้องยุ่งเกี่ยวอยู่กับผาา้าก็ต้องยุ่งเกี่ยวกับชีวิตของของผู้ครองเรือนอยู่ก็จะไม่มีเวลาพอก็จำเป็นจะต้องสละทุกอย่างทำทานแบบ <c oughs> แตเต็มที่เลยมีอะไรเท่าไหร่ก็ยกให้ผู้อื่นไปหมดไม่มายุ่งไม่มากังวลด้วยเพื่อจะได้เอาเวลามาทุ่มเทให้กับการรักษาศีลและ จะเดินจิตตะภาวนาจนในที่สุดก็ได้พบกับอริยสัจสี่ได้พบกับตายรักษอนิจจังทุกขังอนัตตาจึงได้พบกับความสิ้นสุดของความทุกข์ทั้งหลายได้พบกับการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยคำตอบอยู่ภายในใจของเราไม่ได้อยู่ภายนอกถ้าเรายังไปหาคําตอบอยู่ภายนอกอยู่ก็แสดงว่าเรายังหลงทางอยู่ เช่นเดินทางไปหาพระพุทธเจ้าที่ประเทศเอินเดียนี่ก็หลงทางก้นไปไปผิดทางมองป้ายผิดไปป้ายที่อบอกให้เข้าข้างในกลับไปข้างนอกกันไปทางตาหูจมูกลิ้นกายกันท่านบอกให้ปิดทวารตั้งห้าปิดตาหูจมูกลิ้นกายถ้าอยากจะเห็นพุท ธ, ธะให้เข้าข้างในให้บำเพ็ญปฏิบัติจนเห็นธรรมะพอเห็นธรรมแล้วก็จะเห็น ธผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตไม่ใช่ผู้ใดไปเอินเดียผู้นั้นจะเห็นเราตถาคตพระเจ้าไม่เคยตัดสอนอย่างนั้นสอนแต่ว่าให้เข้าข้างในสํารวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายเจริญสติดึงใจให้เข้าข้างในให้ได้ด้วยการบริกรรมพุทธโธพุทธโธอันนี้แหละการเข้าหาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เดินเข้ามาข้างในพอเดึงเข้ามาข้างในก็ จิตก็จะสงบจิตก็จะเห็นธรรมะเห็นอริยสัจสี่อ๋อเห็นอริยสัจสี่ก็จะเห็นพระพุทธเจ้าอ๋อนี่แหละคือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้เองจิตของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรจิตที่มีธรรมก็เป็นอย่างนี้คือจิตที่สงบผู้ที่มีจิตสงบก็คือผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสุปฏิปันโนชุปฏิปันโนญายะปฏิปันโนสามีจิตปฏิปันโน ก็อยู่ตรงนี้เองอยู่ที่การบาเพ็ญจิตตภาวนาอยู่ที่การรักษาศีลอยู่ที่การทำฐานเองไม่ได้อยู่ที่ไหนอย่าไปที่อินเดียให้เสียเวลาหลวงปู่มั่นไม่ได้ไปหลวงตามหาบัวไม่ได้ไปพวกที่ไปแล้วเจอพระพุทธเจ้ากันหรือยังอันนี้ก็ขอให้นาเอาไปคิด ว่านทางของการบําเพ็ญไปในทิศทางไหนกันนะทางของพระพุทธเจ้าหรือทางของโมหะวิชาความหลงความมืดบอดถ้าไปทางตาหูจมูกลิ้นกายไปทางข้างนอกก็ถือว่าไปตามทางของโมหะอวิชชาถ้าไปสู่การสํานวมตาหูจมูกลิ้นกายไปสู่ทางศีลแปสู่ทางจิตถภาวนาอันนี้แหละเป็นทางไป ที่พระเจ้าได้ส่งไปทงลดำเนินไปด้า น, นส่งสอนให้พวกเราบาเพ็ญตามกันดังนั้นขอให้พวกเราจงพยายามตะเกียตกยตะกายต่อสู้กับความหลงที่จะหลอกให้เราไปหาสิ่งต่างๆภายนอกให้ดึงใจให้เข้ามาสู่ภายในให้ได้แล้วเราจะได้พบกับจรณะที่เพิ่งที่ประเสริฐที่แท้จริงต่อไป การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอพักไว้เพียงเท่านี้มีใกล้อยากจะเล่าอะไรฟังไ้ม่ังมีใครอยากจะถามอะไรบ้ามีปัญหาจะถามเลยเขาเด็กคะถามมาฮะว่าเออแม่ครับแม่คิดว่าอะไรที่น่าสนใจกับการมีชีวิตอยู่ออเหมือนกับว่า อยู่ไปทําไมอยู่ไปทําไมอยู่ไปเพื่อทําอะไรใช่ไหมอ่าในสิ่งที่ดีที่สุดอที่ดีที่สุดที่ทำก็ที่เทศมา45นาทีนี้ก็เพื่อการบําบัดทุกบํารุงสุขที่ตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนนี่แหละเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับชีวิตเราถ้าเราเกิดมาเกิดมาเพื่อทําอะไรก็เกิดมาเพื่อมาทําสิ่งนี้คือบําเพ็ญตามที่พระเจ้าทรงส่งสอน คือการทําทานรักษาศีลการภาวนาเพราะเป็นวิธีบําบัดทุกข์บําลงสุขที่ถูกที่แท้จริงและจะทําให้เกิดผลที่ปรารถนากันก็คือความหมดทุกข์การมีแต่ความสุขที่ถาวรต่อไปถ้าไม่บำเพ็ญตามทางนี้ก็จะต้องกลับมาถามคําถามนี้ไปเรื่อยๆทุกครบทุกชาติกลับมาเกิดใหม่ก็จะถามว่าเกิดมาทําไม แล้วก็ไม่มีการให้คำตอบได้เพราะว่าทุกคนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดมาทำไมกันจนกว่าจะได้มาพบกับพระพุทธศาสนาพบผู้ที่ได้บาเพ็ญทางนี้มาแล้วถึงจะรู้ว่านี่แหละคือคือสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับชีวิตจิตใจอย่างแท้จริงเป็นสิ่งที่ควรจะทำให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ เพราะเป็นคุณเป็นประโยชน์โดยถ่ายเดียวไม่มีโทษแก่จิตใจเลยมีคําถามเดียวเลยการว่าถานลักษณะ น, นี้ผมก็จะว่าก็เป็นเด็กนะฮะคงอยู่ในวัยที่เรียนหนังสือด้วยแล้วคงจะพ่อแม่พามาวัดก็คงจะคิดว่าเอ๊ะการเรียนหนังสือสนนก็ส่วนหนึ่งการมาฟังธรรมเป็นบัตรธรรมก็ส่วนหนึ่งอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุด อ, องนั้นต้อ่าจะเป็นลักษณะั้นคือดีที่สุดก็คือการศึกษาทางธรรมแต่ เรายังไม่มีความสามารถพอที่จะเข้าสู่การศึกษาทางธรรมได้เราก็ต้องศึกษาทางโลกไปก่อนเพราะว่าการศึกษาทางโลกนี้เป็นการมีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะได้ประกอบสำมาชีพเพราะว่าเราต้องเลี้ยงชีวิตของเราดูแลชีวิตของเราคือร่างกายของเราเราก็ต้องมีอาชีพการที่จะมีอาชีพดี ก็ต้องมีความรู้ทางโลกก็ต้องเรียนทางโลกไปก่อนพอเราจบทางโลกได้วิชาความรู้เราก็ไปสมัครงานได้งานทําที่ดีมีรายได้ที่ดีเราจนทําให้เรามีมีเวลาว่างที่เราจะได้เข้ามาศึกษาทางธรรมต่อไปถ้าเรามีอาชีพที่ไม่ดีมีความรู้ไม่ดีเราจะต้องทํางานหนักมาก เวลาที่จะมีเวลาว่างมาศึกษาธรรมะก็อาจจะไม่มีก็เลยต้องเรียนทางโลกไปก่อนแต่ถ้าเราเป็นคนที่สามารถเรียนทางธรรมได้เลยอย่างเช่นสมเด็จพระสังฆราชที่ทรงสิ้นพระชนไปพระ อ, องค์ก็ทรงเรียนทางธรรมตั้งแต่ทรงพระเยาว์วับวชเป็นสามเณรเลยสมัยก่อนเขาก็มักจะให้ลูกๆบวชเนนกัน ก็จะทดสอบภูมิของเด็กว่าจะมีปัญญาที่จะไปในทางธรรมได้หรือไม่ถ้ามีทางทําได้ก็จะบวชไปเรื่อยๆไม่เสกหลวงปู่มั่นนี่ท่านก็บวชเป็นเนนมาก่อนเพียงแต่ว่าท่านต้องสึกออกมาเพราะทางบ้านยากจนบิดามารดาทำไร้ายนาต้องการมีผู้ช่วยช่วยทำงานก็เลยต้องออกมาแต่พอท่านมีอายุ ที่จะบวชพระได้ความปรารถนาที่จะไปในทางธรรมของท่านนั้นมีกําลังมากจึงทําให้ท่านบวชแล้วก็ศึกษาทางธรรมต่อโดยที่ไม่ไปศึกษาทางโลกเลยหรือศึกษาเพียงไม่กี่ปีเท่านั้นผู้บาอาจารย์ส่วนใหญ่นี่แสดงว่าท่านจะไม่ได้เรียนสูงทางโลกกันบางท่านก็จบปอหนึ่งหรือไม่ได้เรียนหนังสือเลยก็มีบางท่านอ่านหนังสือไม่ออกก็มี จิตใจของท่านนี้สนใจกับการศึกษาทางธรรมกันพอท่านมีโอกาสที่จะบวชได้ท่านก็บวชกันเลยแล้วท่านก็ดําเนินตามที่พระเจ้าทรงดำเนินทรงสอนให้ดําเนินจนในที่สุดก็ได้ผลอย่างที่พระเจ้าทรงได้รับกันกลายเป็นสานะที่พึ่งของป <c oughs> ระชาชนชาวไทยเราเป็นจนํานวนมาก อันนี้แหละเป็นเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาเป็นสิ่งที่น่ า, าน่าศึกษาน่าแสวงหา ม, มาเป็นสมบัติให้ได้ เ, เพราะเป็นสารณะเป็นที่พึ่งที่แท้จริงผู้ที่มีธรรมะเป็นธรรมังสารังกะฉามิแล้วจะเป็นผู้ที่ไม่ต้องมีอะไรเป็นสาธรณะอีกต่อไปเพราะสรรมังสารังกะฉามิจะสามารถ ปกป้องคุ้มครองรักษาจิตใจไม่ให้มีความทุกข์เข้ามาเหยียบย่ำทำลายได้เลยถ้าอาจารย์พูดถึงว่าเด็กควรจะเร่าดีนึกัรียนหนังสือเนี่ยนะครับแล้วก็ไปเพื่อจะประกอบอาชีพการงานเนี่ยไวขนาดนี้เนี่ยเขาก็สามารถที่เดินคู่ขนานกันได้ได้เพียงอยู่ในกรอบแห่งศีลแห่งธรรม ได้กอ็อยู่ที่ตัวเขาอยู่ที่โอกาสที่พ่อแม่ผู้ใหญ่จะให้กับเขาหรือไม่ในสมัยนี้เมืองไทยเราไม่เมื่อก่อนเราให้โอกาสเด็กเรียนพุทธศาสนาควบคู่ไปกับวิชาทางโลกแต่พอโลกเริ่มกลายเป็นโลกาภิวัตน์ก็เลยทําให้เห็นว่าการศึกษาทางศาสนาเป็นเรื่ององมงายไปทําให้ล่าหลังไม่ไม่ทันกับอรารยประเทศทั้งหลาย ประเทศที่มีแต่การมรดกฐานะเป็นตัวนากันก็เลยวิ่งตามเขาก็เลยจําเป็นจะต้องตัดศาสนาออกไปจากหลักสูตรของการเรียนการสอนเด็กก็เลยไม่มีโอกาสที่จะได้รับรู้เรื่องของศาสนาที่มีความสําคัญยิ่งกว่าความรู้ทั้งหลายในโลกนี้ไปเพราะว่าผู้ที่วางหลักสูตรครูบาอาจารย์ทั้งหลายไม่เห็นคุณค่าของคําสอนของพระศาสนา พอไม่ได้ศึกษาไม่สนใจกลับไปสนใจกับคำสอนของทางอรารยประเทศต่างๆได้ไปศึกษาต่างประเทศกันได้ไปเรียนรู้วิชาทางโลกกันก็เลยกลับไปเกิดวิชาทิฏฐิเห็นผิดเป็นชอบเห็นว่าความรู้ทางโลกนี้เป็นความรู้ที่สาคัญกว่าความรู้ทางศาสนาจึงตัดความจึงตัดวิชาทางพุทธศาสนาทิ้งไปอย่างน่าเสียดาย แต่ก็ได้ข่าวว่ามีบางโรงเรียนนี้ก็ยังมีอาจารย์ที่ใฝ่ธรรมอยู่จะเอาหลักสูตรของพุทธศาสนามาสอนให้กับเด็กก็หลักหลักสูตรนักธรรมตรีอย่างนี้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับอาจารย์แต่โรงเรียนบางโรงเรียนแม้แต่โรงเรียนวัดเดี๋ยวนี้ยังไม่มีพุทธศาสนาสอนเด็กเรียนโรงเรียนวัดสมัยก่อนจะรู้จัก รู้รู้จักไหว้พระสวดมนต์รู้จักวิธีที่จะปฏิบัติกับพระสงฆ์องค์เจ้ามีสัมมาคารวะมีความอ่อนน้อมแต่เดี๋ยวนี้กลับไม่รู้จักวิธีปฏิบัติกับพระสงฆ์องค์เจ้าสวดมนต์ไหว้พระไม่เป็นไม่รู้หลักคำสอนของพุทธเจ้าว่าเป็นอะไรบ้างไม่รู้จักอริยสัจสี่ไม่รู้จักมรรคแไม่รู้จักไตรลักษ น, นี้แหละที่เป็นแกนของพระพุทธศาสนากันเพราะว่าผู้ใหญ่ไม่เปิดโอกาสให้เด็กเรียนกันนั่นเองตัดทิ้งไปก็กิอยู่กับพ่อแม่พ่อแม่ที่มีความห่วงใยอยากจะให้ลูกได้รับความรู้ก็ให้บวชเนนเช่นในช่วงปิดภาคอ ด, ดูร้อนก็บวชเนกันเนื้อหาหนังสือหาสือ่อธรรมะ ให้ดูให้ฟังในบ้านกันพาเข้าวัดเข้าวากันอันนี้ก็จะเป็นการเปริดโอกาสให้เด็กได้สัมผัสรับรู้กับเรื่องของทางพระพุทธศาสนาแล้วถ้าเด็กมีภูมิเดิมอยู่ก็จะมีความชื่นชอบก็อยากจะเข้าใกล้ชิดมากขึ้นเองต่อไปเป็นคำถามจากทางเฟ e บุ o k ท้าจารย์ศิชาตุอพิชาโตนะครับ คำถามนะครับจากพระครัวในนะครับปริยัตภายในมีไหมถ้ามีแล้วนับว่าเอ้นับว่าเป็นคันถะธุระได้ไหมผมบวชได้สองพันษาพระอุปชาได้ให้เรียนบาลีผมบอกเรียนแต่ไม่สอบได้ไหมท่านจะว่าผมจะบ้าหรือแต่ผมอดทนเรียน จนสอบตกว่าจะเลิอกอยากออกจากที่เพื่อค้นหาตัวเองเพราะที่วัดขิดเยอะปัจจัยแย่ใจเลยแย่ <c oughs> เคยไปกราบพระอาจารย์ตอนทอดจะถิงนที่ผ่านมาผมเคยคิดเรื่องการยติใหม่แล้วแต่หาอาจารย์รับไม่มีเลยเลิกคิดแล้วยังเป็นนวกกะเลยลำบากใจ ถ้ายังขืนเรียนต้องฝึกแน่ๆเพราะอุปชาหวังไว้สูงจะให้ช่วยงานท่านท่านเป็นเจ้าคณะอำเภอ ท, ท่านผมบ้าทำแต่สมาธิอยู่อย่างนี้เพียงจับวางครับสมาธิขอความเมตตาคำแนะนำครับคือปริยัตินี้เรียกว่าเป็นการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่ว่าปริยัตนอกก็หมายถึงการศึกษาตามตำรับตำราตามหลักสูตรที่ทางทางผู้ใหญ่ได้กำหนดเอาไว้เช่นนักสูตรนักธทมตีนโตเอกอันนี้ก็เป็นการศึกษาพราะธรรมคำสอนหลักธรรมต่างๆที่พระเจ้าได้ทรงสอนมาเป็นการเหมือนกับการดูแผนที่เวลาที่เราจะเดินทางไปไหนที่เราไม่เคยไป เราต้องมีแผนที่บอกทางเราถึงจะไปถึงจุดหมายปลายทางได้งนั้นการศึกษาปริยัต้จะถือว่าไม่จาเป็นก็ไม่ได้ถ้าเราไม่รู้จักทางเราก็ต้องศึกษาแต่ถ้าเรามีปริยัตภายในแล้วก็คือเรารู้ว่าเราต้องทำอะไรเช่นเรารู้ว่าเราต้องกจริญนศีลสมาธิปัญญา ถ้าเราก็บุ้งไปสู่การเจริญศีนสมาธิปัญญาเลยนี้อันนี้ก็ไม่เสียหายตรงไหนเหมือนกันเพราะว่าการศึกษาปริยัตินี้ไม่จําเป็นจะต้องศึกษาทั้งพระไตรปิฎกขอให้เราศึกษาเป็นทีละขั้นทีละตอนไปขั้นแรกที่เราต้องศึกษาก็คือศีลคือพระวินัยของพระสอง้อยี่สิบเจ็ดข้อด้วยกันเพื่อให้เราตั้งอยู่ในความประพฤติที่ น่าเคารพนับถือเรื่องสาศรัท ธ, ธาเพราะการอยู่ของพระภิกษุนี้อยู่ได้ด้วยการขออยู่ได้ด้วยการให้ของผู้มีจิตศรัท ธ, ธาถ้าบําเพิ่นถ้าบัมเพิ่นตนเองไม่เหมาะสมต่อสมมนพเพศต่อสัมนารูปของตนก็จะไม่มีผู้ที่มีจิตศรัท ธ, ธาที่อยากจะสนับสนุนในเรื่องของปัจจัยสีนะงั้นสิ่งแรกต้องศึกษาก็คือพระวินัย คือศีลสองข้อเมื่อรู้แล้วก็ต้องพยายามรักษาให้ให้ดีไม่ให้ด่างพร้อยแล้วก็ให้เข้าสู่ขั้นที่2ก็คือการเจนนริญสมาธิการเจริญสมาธิแลก็เพื่อทําใจให้สงบนี่เองอย่างหลวงตาท่านก็ได้ศึกษาประวัติเราก็จะทราบว่าท่านก็ศึกษาปริยัติมาท่านก็ศึกษานักธรรมตีโทเอกแล้วก็ต่อด้วย บาลีสารประโยคบาลีขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามไปนะพอถึงขั้นที่สามท่านก็บอกว่าเรียนพอแล้วปริยัติท่านอยากจะออกปฏิบัติท่านรู้แล้วว่าศีลของพระมีอะไรบ้างหลักธรรมคาสอนหลักหลักของพระพุทธเจ้าทรงสอนอะไรบ้างก็รู้หมดแล้วยังสิ่งที่ขาดก็คือการเอาหลักธรรมคาสอนนี้มาปฏิบัติเพราะการปฏิบัติเท่านั้นที่จะทําให้เกิดผล คือปฏิเวทคือการบรรลุมรรคผลที่ผ่านขั้นต่างๆได้พอท่านได้ทราบข่าวของหลวงปู่มั่นว่าท่านเป็นพาาระอริยเป็นพระาอารหันต์ท่านก็เกิดมีความศรัทธาที่อยากจะไปศึกษาปฏิบัติกับหลวงปู่มั่นพอท่านจบประเดนสารประโยคท่านก็ติดเหมือนกับพระที่เล่าให้ฟังนี้พระผู้ใหญ่ที่อุปถัมภ์หลงตาก็อยากจะสนับสนุนให้หลงตาเรียนต่อไป อยากจะให้อยู่ทางปริยตัตไปอเรื่องจากหลวงตาท่านมีความแน่วแน่ต่อการปฏิบัติพอท่านมีจังหวะที่จะหลบไปได้ท่านก็หลบไปหลบไปในขณะที่พระผู้ใหญ่ท่านไปทํากิจวัตรที่ต่างจังหวัดท่านก็เลยถือโอกาสนั้นไปเลยไปแล้วก็มุ่งไปตามหลวงปู่มั่นแล้วพอได้กลับหลวงปู่มั่นก็ ได้อยู่กับหลวงปู่ม่านตลอดศึกษาปริยัตต่อแต่เป็นศึกษาปริยัติแบบแบบแนวทางของการปฏิบัติที่จะละเอียดลออกว่าการาศึกษาจากทางตำราอยู่กับครูบาอาจารย์นี่ก็ยังถือว่ามีปริยัติอยู่เพราะท่านจะเรียกอบรมทุก4ี่ห้าวันทุก 6-7 เจวันนี้จะเรียกพระมาประชุมครั้งหนึ่งแล้วก็จะมาสอนเรื่องศีลสมาธิปัญญา มาเล่าถึงาการปฏิบัติของท่านเป็นตัวอย่างให้ฟังว่าปฏิบัติไปแล้วมีปัญหาอะไรบ้างและจะต้องแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้ด้วยวิธีใดอพอได้ยินได้ฟังจากท่านมาก็จะทำให้มีปัญญามีแนวทางเพราะว่าจะเจอปัญหาต่างๆอย่างที่ท่านจะเล่าไว้ก่อนหน้าเลยพอมาถึงขั้นนี้จะติดตรงนี้พอมาทั้ง ทานนี้จะติดตรงนั้นจะคอยบอกไว้ให้ก่อนเลยพอเรามีคนคอยบอกงนี้เราก็จะได้ไม่หลงทางไม่เสียเวลาก็จะสามารถที่จะไม่ไปเหยียบกับดักได้กับดักก็คือไปติดกับปัญหาต่างๆนี่คือประโยชน์ที่จะได้รับจากการที่เราออกปฏิบัติกับครูบาอาจารย์แต่ถ้าจะออกปฏิบัติตามลาพังนี้จะไม่ จะไม่สนับสนุนโดยเฉพาะถ้าเป็นพระนวากาะพระเพิ่งบวชใหม่นี่ท่านในพระวิไนท่านก็ทรงมีกฎบังคับไว้แล้วว่าจะต้องอยู่กับครูบาอาจารย์อย่างน้อยห้าพรรษาด้วยกันเพราะว่าผู้บวชใหม่นี้ก็เป็นเหมือนเด็กทารกที่แรกที่เพิ่งคลอดออกมายังไม่รู้เดียงสาจะต้องมีพ่อแม่คอยเลี้ยงดู ก็ใจพอเด็กคลอออกมาแล้วก็ขอลาพ่อแม่ไปไปทําอะไรต่างๆตัวเองยังทําอะไรไม่ได้ช่วยตัวเองไม่ได้การบวชมาปั๊บในบางองค์บวชมาปั๊บก็ลาอุปชาอาจารย์ไปตั้งสํานักเลยไปเป็นหัวหน้าสํานักเป็นครูเป็นอาจารย์เลยแล้วก็แล้วก็จะต้องอมีปัญหาตามมาเพราะเป็นครูอาจจะมีบางมีกล่อมมี ควาสามารถในการพูดธรรมะให้แก่ผู้อื่นได้ยินได้ฟังแต่ยังไม่ถึงขั้นที่แบบว่าบริสุทธิ์ผุดผ่องพอแสดงธรรมะพูดธรรมะให้คนฟังคนก็เกิดเรื่อสายศรัท ธ, ธาก็จะมีการน้อมอถวายราบสาการะกันเป็นจนํานวนมากพอได้ราบสาการะกิเลสตัณหาที่ยังไม่ได้ถูกกําจัดมันก็จะออกม า, าแสดงตัวแล้วก็ มาทำลายผู้ที่ได้รับลา บ, บส ก, การน้ด้วยการกระทาที่ไม่ถูกธรรมวินยัยไม่ถูกกับสมนณเพศก็จะกลายเป็นที่กลหะนินทาและถึงขัน้นกับอาจจะต้องถูกออจับลาสิกขาไปถ้ากระทาผิดที่ร้ายแรงต่อพระธรรมวินยัย อันนี้ก็เป็นเพราะว่าไม่ได้อยู่ศึกษากับครูบาอาจารย์ตามที่พระพุทธเจ้าส่งบัญญัติไว้แต่ถ้าอยู่กับครูบาอาจารย์ห้าพรรษานี่จะได้ยินได้ฟังถึงวิธีการวิถีชีวิตของพระว่าจะต้องอยู่อย่างไรต้องดาเนินอย่างไรก็จะไม่ไปกระทำในสิ่งที่เสียหายตามมาต่อไปอันนี้ก็เป็นเรื่องของของการบวช ถ้าไปอยู่คไปอยู่กับครูบาอาจารย์ที่ไม่รู้เรื่องเรื่องของการปฏิบัติก็อย่าไปอยู่เลยอย่างเรานี่ก็เหมือนกันตอนก่อนที่เราจะบวชเราเราต้องหาครูบาอาจารย์เราก็เราก็บอกเลยว่าถ้าครูบาอาจารย์ไม่ปฏิบัติเราไม่อยู่ด้วยถ้าวัดไหนมีบุญบางสังส่วนนี่เราไม่เข้าเราจะหาวัดที่มีการบาเพ็ญจิตรภาวนาเพียงอย่างเดียวก็โชคดีได้พบกับพระที่ท่านรู้จัก ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นพอไปคุยเล่าให้ท่านฟังท่านก็เมตตาบอกว่าให้ไปบวชกับสมเด็จพระญาณสังวรที่วัดบวรที่ท่านก็มีความสนใจเกี่ยวกับการปฏิบัติกรรมฐานท่านก็จะเมตตาให้ลาไปอยู่กับครูบาอาจารย์แทนที่จะอยู่กับท่านได้คือแทนที่จะอยู่กับท่าน5ปีท่านก็จารณาญาตให้ไปอยู่กับครูบาอาจารย์ทางสายปฏิบัติได้ ตอนต้นก็ไปติดต่อกับพระอาจารย์รูปนี้ที่อยู่ใกล้บ้านท่านก็บอกว่าถ้าถ้าบวชกับท่านก็ต้องอยู่กับท่านห้าพรรษาแต่ว่าของท่านนี่ไม่มีการปฏิบัติเพราะของท่านเป็นวัดปริยัตเป็นวัดเรียนแล้วก็วัดสวดมีงานสวดต่างๆท่านก็เข้าใจท่านก็เห็นใจเพราะตัวท่านเองก็เริ่มสนใจในเรื่องของการปฏิบัติเหมือนกันท่านก็เลยแนะให้ไปทาง ต่างนี้แล้วก็ไปตามที่ท่านบอกก็เป็นก็เป็นโชคดีอันนี้ก็เป็นเหมือนปริยัตอย่างหนึ่งก่อนที่เราจะทำอะไรเราก็ต้องศึกษาแนวทางเราก็ต้องรู้ด้วยว่าเราต้องการอะไรถ้าเราบวชแล้วเราไม่รู้ว่าเราต้องการอะไรนี่มันก็ลาบากเหมือนกันถ้าเราบวชแล้วเราไม่รู้ว่าบวชเพื่ออะไรอย่างนี้ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นกันไม่รู้ว่าบวชเพื่ออะไรบวชเพราะว่า อายุครบยี่สิบเป็นชาวเป็นชาวพุทธบุตบวชเพื่อตอบแทนบุญคุณของบิดามารดาอันนี้อย่างนี้แสดงว่าบวชแบบตาบอดไม่รู้บวชเพื่ออะไรแต่ก็ยังดีถ้าบวชแล้วถ้าสนใจศึกษา <c oughs> อย่างหลวงตาท่านก็เหมือนกันตอนที่ท่านบวชท่านก็ไม่อยากจะบวชที่ท่านบวชก็บวชเพื่อทดแทนคุณบุญคุณของบิดามารดา ก็บิดามัรดามีลูกชายหลายคนแต่ไม่มีลูกชายคนไหนยอมบวชให้ก็มีหลวงตาองเดียวที่พ่อแม่บิดามัรดาคิดว่าพอที่จะเกาะชายข้าวเหลืองได้หลวงตาก็าเลยจําใจต้องบวชใจเองใจของท่านเองก็ไม่เคยคิดที่อยากจะบวชแต่เนื่องจากท่านเป็นคนที่เอาจริงเอาจังพอท่านบวชแล้วท่านก็เอาจริงเอาจังต่อการทําหน้าที่ของพระภิกษุ มีหน้าที่ศึกษาพระธรรมวีดายนักภิกษุนี่วันจาแรกก็จะต้องศึกษานักธรรมตรีก็จะมีศึกษาเกี่ยวกับสีสองรข้อแล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับหลักธรรมสำคัญต่างๆเช่นอริยสัจ ส, ส์4มรรคแปดไตรลักษอณอิจังทุกขังนักตาอิทธิบาท4ีอะไรอย่างนี้เป็นต้นพอศึกษาแล้วก็ทาให้ท่านเกิดศรัทาขึ้นมา <c oughs> ก็เลยสนใจทาการปฏิบัติ ท่านก็ฝึกนั่งสมาธิของท่านไปตามลําพังแล้วก็ทําให้อยากจะได้เป็นพระอรหันต์เพรหลังจากที่ศึกษาเราถึงจะรู้ว่าอาการบวชนี่ก็บวชเพื่อที่จะได้บรรลุเป็นพระอารหันต์นี่เองเพื่อที่จะได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเป็นทําให้ท่านมีปณิธานแน่วแน่อยู่ภายในใจว่าท่านจะ ต้องออกปฏิบัติหลังจากที่ได้ศึกษาปริยัพพอสมควรแล้วอันนี้ทุกคนที่มาบวชนี้จําเป็นจะต้องมีปริยัพด้วยกันเทนั้นเองแต่ปริยัพนี้ไม่จําเป็นจะต้องเป็นปริยัพแบบในรูปแบบที่เขาจัดทําไว้ให้คือต้องศึกษานักธรรมตีโทเอกแล้วก็ไปสอบให้ผ่านได้รับใบประกาศนียบัตรมาอันนี้ไม่ไม่จำเป็นจะต้องทําแบบนี้ก็ได้ เราศึกษาหนังสือธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือเอาหนังสือหลักสูตรของนักธรรมตีโทเอกมาอ่านเองก็ได้อ่านเพื่อให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจเพื่อที่เราจะได้นำเอาไปปฏิบัติให้ถูกต้องแค่นี้ก็พอแล้วไม่จำเป็นจะตั้งไปสอบเอาใบประกาศมายืนยันว่าเราได้เรียนรู้แล้วเพราะปริยัตินี้ก็เป็นเหมือนกับการดูแผนที่นั่นเอง เราดูแผนที่แล้วเราไม่ต้องไปสอบว่าเราดูแผนที่แล้วเช่นเราจะเดินทางไปที่ทเชียงใหม่เราไม่เคยไปเราเปิดแผนที่ดูเสร็จแล้วเราไม่ต้องไปแจ้งให้เขาทราบว่าเราได้เรียนดูแผนที่นี้แล้วเรารู้แล้วว okay. ่าทางที่จะไปเชียงใหม่ไปไงเราก็ออกเดินทางไปเท่านั้นเองเราศึกษาปริยัตเพื่อให้รู้ว่าทางที่จะไปสู่มรรคผลนิพพานไปอย่างไรพอเรารู้แล้วเราก็ออกเดินทางไปเลยก็เท่านั้นเอง ไม่ต้องให้มีใครมารับรองว่าเราได้เรียนจบได้ดูแผนที่จบเรียบร้อยแล้วถ้าเรารู้ทางแล้วเราก็ออกเดินทางไปเลย่ในทางปริยัตยิมันไม่ได้เป็นอย่างงั้นพอเรียนจบปริยัตยก็แทนที่จะออกเดินทางปฏิบัติก็กลับมาเป็นครูอาจารย์แทนมาสอนปริยัตยกันต่อไปมันก็เลยติดอยู่แต่ขั้นปริยัตยไม่ได้ออกทางปฏิบัติเข้า คำถามข้อต่อไปคำถาม ข, ข, ข้อต่อไปจากคุณนายออดอิดสุ ข, ขะนะครับเรียนถามพระอาจารย์ข้อที่หนึ่งถ้าเราไม่ได้รับศีลหรือไม่ได้สมาทานศีลเลยแต่เราไม่เคยฆ่าสัตว์ไม่เคยรักทรัพย์ไม่ประพฤตผิดประเพณีไม่ได้พูดโอดไม่ได้ดื่มสุราแล้วจะเรียกได้ว่าเราถือศีลห้าหรือเปล่าคะ หรือต้องสมาทานศีลเท่านั้นถึงจะเรียกว่าถือศีลห้าคือศีลที่แท้จริงนี้ไม่ต้องสมาทานคือการละเว้นจากการกระทําผิดทั้งห้าข้อนี้ก็ถือว่ามีศีลแล้วถ้าเราไม่ฆ่าไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดไม่เสพยาเมาถึงแม้เราจะไม่เคยเข้าวัดเข้าวามาก่อนไม่เคยมายังพันเตมาก่อนอันนี้ก็ไม่ไม่ไม่ไม่สำคัญ สำคัญอยู่ที่การกระทําของเราว่าเราไม่กระทำความผิดท่าห้าข้อนี้หรือเปล่าถ้าเราไม่ทําก็ถือเราก็ถือว่าเรามีศีลแล้วศีล น, นี้มันก็มีสามลักษณะศีล ส, สมาทานก็อย่างที่เรารู้จักกันเราไปวัดวันพระพระเราก็จะมีการสมาทานขอศีลห้าความจริงนี้มันเป็นรูปแบบที่เขาจัดทําไว้ขึ้นเพื่อให้คนที่ไม่รู้จักศีลห้าว่าเป็นอะไรนั่นเองพระที่ ให้ศีลห้านี้ก็ไม่ได้หมายความว่าเอาศีลของตนมาให้ผู้อื่นเพียง mm hmm. แต่เป็นการสอนให้รู้ว่าศีลห้ามีอะไรบ้าง mm hmm. การสมาทานนี้ก็เพื่อการศึกษาให้รู้ว่ามีอยากจะรักษาศีลห้ามีอะไรบ้างช่วยบอกผมหน่อยนี่คือเวลาสมาทานพระก็บอกว่ามีอย่างนี้มีอย่างนี้ห้าขอ้อและก็ตบท้ายด้วยอันที่สองว่าถ้ารักษาศีลห้าข้อนี้ได้ก็ก็จะมีสี่เลยนะสุกติยันติหมายถึงว่า ตายไปแล้วจะไม่ไปเกิดในอบายจะไปสู่สุขติแล้วก็จะมีโพกรัพย์เจริญในโพกระซับแล้วก็ดับความทุกข์ที่เกิดจากการทาบาปได้นี่กาอ น, นิสงส์สข้อเวลาที่พระท่านสอนท้ากระทบท้ายว่าซีเลนะสุขติญันติซีเลนะโพกสัมปธาซีเลนะนิพุติญันติตัสมาซีลังวิโสทะเย อันนี้เป็นคำสอนเพื่อให้ผู้ที่ไม่เคยรู้เรื่องของการรักษาศีลจะได้รู้ว่ามีอะไรบ้างที่จะต้องรักษาแล้วอันนี้สงที่ได้รับจากการรักษานี้ได้อะไรบ้างเท่านั้นเองอันนี้เรียกว่าสมาทานศีลส่วนศีลอีกอันนึ้งก็คือผลสำหรับผู้ที่รู้แล้วว่าศีลห้ามีอะไรอันนี้สงเป็นอย่างไรแต่ไม่ว่างที่จะมาวัดอยากจะรักษาศีลก็ตั้งจิตอธิษฐานได้เลย ตั้งตั้งปณิธานไนดะ้เลยว่าโอ้วันนี้วันพระเราจะรักษาศีลห้าศีลแปดก็ว่าไปอันนี้ก็เรียกว่าศีลวิรักษติศีลวิรัตกิก็คือเราตั้งใจมันมังสะวิรัติก็แปลว่าอะไรละเว้นจากการจากการรับประทานเนื้อสัตว์เนี่ยศีลวิรักษ์ก็คือการละเว้นจากการกระทําบาปห้าห้าข้อหรือแปดข้อแล้วแต่เราจะถือกันไปส่วนศีล เอกชนิดอย่างนี้นเป็นศีลเรียกว่าเป็นศีลเป็นเป็นศีลแบบธรรมชาติคือเป็นของที่มันอยู่กับเราแล้วมีอยู่กับตัวเราแล้วคือเกิดมาไม่เคยคิดไม่เคยฆ่าไม่เคยรักทรัพย์ไม่เคยประพฤติผิดประเวณีไม่เคยพูดปดโมทเทนไม่เคยเสพสุรายามามอย่างนี้เรียกว่าเป็นศีลธรรมชาติซึ่งจะเป็นศีลของพระอริยบุคคลตั้งแต่พระสวสดาบังขึ้นไปนะครับ ท่านจะไม่ละเมิดศีลโดยเด็ดขาดนี่ก็คือศีลสามลักษณะด้วยกันข้อที่สองนะครับเคยได้ยินพระที่วัดวัดหนึ่งพูดถึงการอบปโลภอาหารที่ได้มีการถวายพระแล้วว่าถ้าวัดใดไม่ทำการอบประโลภอาหารก่อนนำมาให้ญาติโยมกินญาติโยมที่กินจะเป็นเปต อันนี้เลยไม่กล้ากินของที่วัดพวไม่ได้อุปโลกค่ะไม่ทราบว่าเป็นตามที่ได้ยินมาหรือเปล่าคืออุปโลกและไม่อุปโลกถ้ากินด้วยความโลภ ก, ก็เป็นเปนได้คือคําว่าอุปโลกนี้หมายถึงเป็นการอแจ้งให้สงรับทราบว่าวันนี้ได้มีของที่ถวายให้กับสงขอให้สงอแบ่งปันกันตามอ่า ตามหลักธรรมวินัยก็คือให้ผู้ที่มีอาวุโสทางาทางพรรษาอายุพรรษาเป็นผู้ที่พิจารณาก่อนเช่นของที่ถวายมาทั้งหมดนี้ที่ถวายเป็นของส่วนรวมส่วนกลางนี้พระรูปใดรูปหนึ่งนี้ไม่สามารถที่จะหยิบไปใช้ก่อนได้ต้องมีการประกาศบอกให้ทรงทราบก่อนแล้วให้มีการแบ่งปันกันด้วยการ ให้ผู้ที่มีอายุพรรษามากที่สุดเป็นผู้ที่พิจารณาก่อนแล้วก็เลื่อนตามลําดับลงไปจนถึงพระองค์สุดท้ายหรือสา ม, มเณรแล้วถ้ามีของยังเหลืออยู่ถ้าอยากจะมอบให้กับคารวาาญาติโยมก็สามารถทําได้ญาติโยมก็สามารถที่จะเอาของที่เหลือจากพระนี้ไปบริโภคไปใช้ได้ตามอัธยาศัย แต่ถ้าทำก่อนโดยที่ยังไม่มีการอุปโลกคือของของยังไม่ถึงมือพระบางทีไปเข้ากระเป๋าของญาติโยมแล้วอย่างนี้ถึงเรียกว่าจะเป็นเปรตเพราะทำด้วยทำด้วยความทำผิดระวินัยทาด้วยความโลภอยากได้แต่ถ้ามีของหรืออยู่แล้วทางวัดมีความปาถนาที่อยากจะเลี้ยงดูญาติโยมที่มาร่วมทำบุญ อันนี้ไม่ได้ถือว่าเป็นเปรตถ้าถึงเวลาเวลาพระให้พรเสร็จแล้วของที่ทางวัดจัดไว้ก็หยิบได้ตามสบายแล้วเปรตไม่เป็นเปรตก็คือมือใครยาวกว่าใครถ้ามือไม่ยาวก็ไม่เป็นเปรตถ้ามือยาวมันก็จะเป็นเปรตได้ทีนี้บางวัดบางวัดเขาอุปโลงบางวัดเขไม่อุปโลงครับอาจ ก็ถือว่าอุปหลกโดยอัตโนมัติตไปท่างเจตนาให้อยู่แล้วให้อยู่แล้วก็เลยไม่ได้อุปหลกกับอย่างวัดป่าวันตายก็ไม่มีการอุปหลกอะไรแต่ก็เข้าใจกันอยู่แล้วว่าของที่ออกมาจากของพระแล้วนี้ก็ก็มีไว้เพื่อให้ญาติโยมมาช่วยกันรับประทานกนันเเพราะเก็บไว้มันก็ต้องทิ้งไปอยู่ดีดงนั้นญาติโยมที่มาทำบุญก็อยากจะให้ญาติโยมได้ร่วมรับประทานอาหารกันเป็นทานกันี ทำด้วยความเมตตาเพแต่ว่าผู้รับทานขออย่ารับประทานแบบเปลดเท่านั้นเองอเคือรรานพอรับประทานพออยู่พอกินพออิ่มท้องพออะไรบางคนกินกินของตนไม่พอยังคิดถึงพี่ถึงน้องถึงถึงมือถึงหมาถึงแมวที่บ <laughs> <laughs> ้านไ่ใช่สังเกตบา ง, บางแห่งที่ที่มีการกล่าวคำสังฆทานนะฮะก็จะมักจะกล่าวคำอุปโลกน์ แต่บวรวัดท่านไม่ได้มีการขับกล่าวก็ไม่ต้องคือถ้าเป็นเป็นธรรมหลักธรรมวินัยก็เหมือนกฎหมายอกฎหมายบัญญัติไว้ว่าถ้ามีการกล่าวคําถวายสังฆทานก็ต้องมีการอุปโลกเช่นเช่นกระถินนี่ก็มีการอุปโลกเพราะมีการกล่าวคําถวายเนี่ยวัดบารมัศาสจะมีอุปโลกก็เพียงครั้งเดียววันกระถิ่นนี่เวลากล่าวคําถวายผ้ากรถินนี่ก็เป็นสังฆทานเหมือนกันพอพอ ที่เป็นสังฆทานพิเศษ<ม>ก็แล้วก็มีวิธีอุปโลกที่พิเศษกว่าคือต้องมีพระถึงสามรูปเก่าวคําอุปโลกแล้วต้องมีพระอีกคู่หนึ่งสวดตั้งยัติขอฉันทานุมัติจากสองฆ์อีกทีหนึ่งเ<ม>นี่ยที่สวดกันห้ารูปองค์แรกก็จะสวดว่าควรจะพิจารณาให้พระรูปใดเป็นผู้ที่รับพระกถินชิ้นนี้ พระองค์ที่สองก็จะเสนอว่าคนจะเสนอให้กับพระรูปนี้รูปนี้เพราะท่านมีคุณสมบัติอย่างนั่นอย่างนี้องค์ที่สามก็ขอให้สมตั้งยั ต, ติมีการสวด ต, ตั้งยั ต, ติกันว่าจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติแล้วก็จะมีพระคู่สวดสองรูปตั้งสวดกันสวดเสร็จถ้าพระสงฆ์ไม่มีผู้ใดกล่าวคัดค้านก็ถือว่ามติผ่านองพระคู่สวดสุดท้ายนี่ใช่มที่ไปถ ว, ว, ยวาวยพระโลก ไม่เป็นผู้ตั้งยัติส่วน ย, ยัติยัติกรมรมองสามองค์แรกที่ส่วนเดียวนี้เป็นผู้ตั้งตั้งเสนอไงเหมือนกับในสภาก่อนที่จะผ่านกฎหมายได้ต้องมีคนเสนอกฎหมายเช่นกฎหมายนีโรธสัก น, นี่อะไรเนี่ยที่เราโทษสราวนี้แบบเดียวกันน่ยก็แบบเดียวกันกฎหมายแบบกฎหมายกฎหมายสมัยนี้ก็เอาจากจากสมัยพระพุทธกาลนี่แหละ ถ้ายเป็นการสควมเห็นที่ผมไม่ผูดใดคัดค้านก็ถือว่า อ, อปุประสให้แล้ะถ้าทุกคนนิ่งเงียบประเสวว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านเห็นชอบก็ยัตติต้องสวดสามครั้งยัตติตั้งยัตติสามครั้งสุนาตุเมพันเตสามครั้งด้วยกันครับอ่าคุณเดียสายป่านะครับเวลาผมนั่งสมาธิแล้วใจมันคิดนั่งคิดนี่ มีวิธีไหนที่จะช่วยให้จิตสงบบ้างก็ต้องใช้การบริกรรมพุทโธเป็นหลักถ้าเราใช้ได้ก็ให้บริกรรมพุทโธไปเรื่อยๆก่อนไม่ใช่มานั่งสมาธิโดยที่ไม่ได้บริกรรมพุทโธไว้ล่วงหน้าก่อนเพราะว่ามันจะไม่มีกำลังที่จะหยุดความคิดตรุงแต่งได้ ถ้าเรามัน่นเจริญสติทั้งวันตั้งแต่ตื่นจนหลับช่นบริกรรมพุทโธไปอยู่เรื่อยๆให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้พอเวลามานั่งสมาธิความคิดต่างๆมันก็จะอ่อนกำลังลงแต่ถ้าเราปล่อยให้คิดอยู่เรื่อยๆทั้งวันก่อนที่เรามานั่งสมาธิพอเราถึงเวลานั่งสมาธิเราก็จะหยุดความคิดไม่ได้ mm. พุทโธเราก็จะไม่มีกาลัง พุทโธได้สองสามคำความคิดต่างๆก็จะ เ, เข้ามาแย่งพุทโธไปถึงจุถึงบอกว่าการจะนั่งสมาธิได้ผลนี่จาเป็นจะต้องมีสติก่อนต้องเจริญสติให้มากๆก่อนถึงจะนั่งได้ผลแต่คนเราส่วนใหญ่อยากจะได้ผลเร็วพอนั่งปุ๊บก็อยากจยาให้สงบทันทีโดยที่ไม่คิดถึงเหตุปัจจัยที่จะทำให้จิตใจสงบก็คือการเจริญสติ ดังนั้นจึงไม่ค่อยมีคนชอบทําสมาธิกันเท่าไหร่แล้วพอมีคนบอกว่าไม่ต้องสมาธิกับบรรลุได้ก็เลยชอบกันใหญ่ก็เลยไม่มีใครบรรลุสักทีเพราะถูกเขาหลอกครับมีคําถามนึงครับอาจารย์ที่มีโยมหลายท่านบนศาลาต้องการฟังคําตอบจากพระอาจารย์อีกครั้งหนึ่งครับเนื่องจากตอนนี้ทาง facebook กําลังแชร์กันเร็วมากครับเกี่ยวกับคําตอบเกี่ยวกับ ชาพุทธควรจะวางจิตอย่างไรเกี่ยวกับใครจะมาเป็นผู้นำสงฆ์ท่านต่อไปครับอาจแต่์ก็เรื่องของของสงฆ์เขาจะมีมติอย่างไรก็ต้องก็ต้องรับไปส่วนจะเรามีศรัทธาในผู้ที่เขาแต่งตั้งหรือไม่นั่นก็เป็นเรื่องของเราถ้าเราศึกษาประวัติของท่านแล้วน่าเรื่อมใสหน้าศรัทธาเราก็จะเราก็จะเริ่มใสศรัทธาเอง ถ้าเราศึกษาประวัติของท่านแล้วมันไม่น่าเรื่อมใสน้าศรัทธาเราก็จะไม่เลิ่มสายศรัทธาอันนี้เป็นเรื่องของที่บังคับกันไม่ได้แต่เรื่องของการแต่งตั้งนี้มันเป็นเรื่องของเป็นเรื่องของทางคณะสงฆ์ที่ได้มีการตกลงกันว่าจําเป็นจะต้องมีสังฆราชมีผู้นําสงฆ์ของประเทศเนี่ย แล้วก็มีผู้ที่จะเป็นผู้แต่งตั้งเช่นการแต่งตั้งนี้ก็มักจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นหลักแต่ในสมัยนี้ไม่ทราบว่าได้เปลี่ยนไปหรือเปล่าก็สุดแท้แต่แต่สะไรก็ไม่สำคัญอะไรเพราะนี่ไม่ถือว่าเป็นผู้นำของเราอย่างแท้จริง ผู้นำคือศาสดาหรือครูบาอาจารย์ของเราที่แท้จริงนี้ก็คือพระธรรมวินยัยดังที่พระเจ้าได้ทรงตัดสั่งไว้ก่อนที่จะจากไปว่าพวกเราจะไม่ได้อยู่ปราศจากศาสดาเพราะธรรมวินัยที่ต ถ, ถาคตตัดไว้ชอบแล้วนี่แลจะเป็นศาสดาของพวกเธอต่อไปดังนั้นไม่ว่าใครจะมาเป็นผู้นำทางศาสนานี้ก็ไม่สาคัญ มันสำคัญอยู่ที่เราว่าเราได้ศึกษาธรรมวินัยกันหรือเปล่าถ้าเราไม่ศึกษาธรรมวินัยเราก็จะไม่มีผู้นําทางด้านจิตใจของเราดังนั้นเราต้องเข้าหาธรรมวินัยการเข้าหาธรรมวินัยก็เข้าหาได้หลายวิธีด้วยกันวิธีหนึ่งถ้าเรามีการศึกษาอ่านหนังสือด้านเราก็ศึกษาจากพระไตรปิฎกได้นะศึกษา ประวัตของพระพุทธเจ้าศึกษ า, าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะได้มีศาสดาเป็นผู้นำทางเราไปถ้าเราอ่านหนังสือไม่ได้อย่างสมัยก่อนครูบาอาจารย์ต่างๆท่านก็ต้องบทเรียนบทเรียนอยู่กับครู บ, า, า, รอ า, า, บาอาจารย์อีกทีศึกษาจากครูบาอาจารย์อีกทีให้ท่านอบรมสั่งสอนเรียกม า, าสั่งสอนทุก ทุกอาทิตย์เช่นทุกวันพระอย่างนี้ก็เป็นการเข้าหาศ า, ศาสดาได้เหมือนกันดังนั้นเรื่องของการที่จะมีการแต่งตั้งใครขึ้นมาเป็นผู้นานั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของแถมไปก็แล้วกันมีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือธรรมวินยัย การรู้ธรรมวินัยนี้เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ถ้าเราอยากจะเจริญในทางพุทธศาสนาถ้าเราไม่มีธรรมวินัยนี้เราจะเจริญไม่ได้เพราะเราจะไม่รู้จักวิธีที่จะทำให้เราเจริญนั่นเองดังนั้นขอให้เรายึดธรรมวินัยไว้เป็นศาสดาเป็นพระพุทธเจ้าของพวกเราเพราะว่าถ้าเราได้ศึกษาธรรมวินัยและปฏิบัติ จนบรรลุเห็นธรรมแล้วเราก็จะเห็นพระพุทธเจ้าเองเราก็จะเข้าถึงพระพุทธเจ้าอย่างที่เมื่อกี้ได้พูดให้ฟังพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ที่อินเดียพระพุทธเจ้าอยู่ที่การเห็นธรรมบรรลุธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นเห็นเห็นธรรมผู้ที่จะเห็นธรรมเห็นตถาคตได้ต้องเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสุปฏิปันโนอุจุปฏิปันโน ญายาปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนอันนี้นหะคือทางที่จะนําพาเราไปสู่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อย่างแท้จริงผู้นําที่แท้จริงด้วยการศึกษาปริยัติแล้วก็ปฏิบัติจนปฏิเวทบรรลุธรรมเห็นธรรมขึ้นมาที่นี้ขอให้เราเยึดแนวทางหลักนี้ไว้แล้วเราจะไม่หลงทางเราจะไม่เดือดร้อนว่าใครจะมาเป็น ผู้นำหรือไม่แต่อย่างใดอันนี้ไม่สําคัญสําคัญอยู่ที่ว่าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือเปล่าเราศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือเปล่าเราบรรลุธรรมกันหรือเปล่าให้ดูตรงนี้ก็แล้วกันแล้วเราจะไม่หลงประเด็นไม่หลงทางแล้วก็อีกข้อนะครับมีโยมฝากพระบนเขามาถามครับว่า พระอรหันต์คืออะไรพระอรหันต์ก็คือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนบรรลุสามขั้นสูงสุดก็คือพระนิพพาน <c oughs> ด้วยการ <c oughs> ชำระจิตใจให้สาหารระอาดบริสุทธิ์ปราศจากความโลภความโกรธความหลงปราศจากตันหาความอยากปราศจากโมหะอวิชชาที่เป็น เครื่องเศร้าหมองเป็นเครื่องที่สร้างความทุกข์ให้แก่จิตใจนี่เองเป็นได้เป็นได้ทุกทุกทุกเพศทุกวัยไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นนักบวชเป็นนักบวชก็มีไม่เป็นนักบวชก็มีเป็นหญิงก็มีเป็นชายก็มีเป็นเด็กก็มีเป็นผู้ใหญ่ก็มีเป็นคนแก่ก็มีเป็นคนหนุ่มคนสาวก็มีไม่ได้อยู่ที่เพศอยู่ที่วัย ไม่ได้อยู่ที่ฐานะว่ามีการศึกษาสูงหรือไม่สูงจบปริญญาหรือไม่จบปริญญาร่ำรวยหรือยากจนสถานาภาพเหล่านี้ไม่ได้เป็นตัวเป็นตัวบ่งบอกว่าจะบรรลุหรือไม่บรรลุผู้ที่จะบรรลุนี้เป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเท่านั้นคำถามข้อต่อไปจากคุณหลินหุยหมิงนะครับอ่า วัดป่าบ้านตาดกับเขตปฏิบัติธรรมบนเขาชีโอนวัดยานมีส่วนคล้ายและต่างในการปฏิบัติและเจริญภาวนาหรือแม้กระทั่งเข้าวัดอย่างไรก็เหมือนกันก็แล้วกันตอบง่ายๆไปเหมือนกั น, น, กนคำถามข้อต่อไปจากคุณวนาพรนะครับ หนูมีเรื่องจะเรียนถามหลังจากออกพรรษาแล้วทุกวันอาทิตย์พระอาจารย์อ่ะพระอาจารย์มีเทศหรือเปล่าคะก็เทศทุกเสาร์อาทิตย์ทั้งเข้าพรรษาออกพรรษายกเว้นวันไหนถ้าป่วยลงมาไม่ไหวก็ต้องขอพักชั่วคราวคำถามข้อต่อไปจากคุณลา น, นานะครับเวลานั่งสมาธิไม่รู้เป็นอะไร จะคิดแผ่เมตตาไปด้วยทําให้ลืมคาําภาวนาไปชั่วคู่แบบนี้เรียกว่าจิตฟุ้งร้างใช่ไหมไม่ฟุ้งหรอกเพียงแต่เปลี่ยนองค์ภาวนาเท่านั้นเองการภาวนาแผ่เมตตานี้ก็ทําใจให้สงบได้อาจจะเป็นจริตของเราที่เราเคยทํามาในอดีตเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่สามารถที่จะบริกรรมหรือดูลมได้แต่เรา สามารถที่จะแผ่เมตตาได้แล้วก็ใช้เมตตาการแผ่เมตตานี้เป็นเป็นการเป็นองค์ภาวนาก็ได้เป็นหนึ่งในกรรมฐานสี่สิบคำถามข้อต่อไปจากคุณพ้าเช็ดเท้านะครับขนาดนั่งหรือนอนภาวนาไว้หลายครั้งผมมักได้ยินเสียงหัวใจเต้นหรือบางครั้งรับรู้ได้ถึงการสะเทือน ขนาดหัวใจเต้นเสียงการเต้นนั้นส่วนใหญ่จะเต้นตามจังหวะปกติเรียบๆแต่ในบางครั้งเสียงตุบแรกจะดังสุดตุบต่อไปจะเบาลงเรื่อยๆจนเงียบไปแล้วหยุดเงียบไปเหมือนหัวใจหยุดเต้นเมื่อเริ่มดังใหม่ก็มีความหนักเบาตามดังกล่าวข้างต้นที่ผ่านมาผมปฏิบัติดังนี้หนึ่ง ไม่สนใจอาการนั้นๆและอยู่กับคำบริกรรมหรือลมหายใจซึ่งโดยส่วนใหญ่อาการนั้นก็ยังอยู่เช่นเดิม 2. ผมดูอาการที่เกิดขึ้นขณนะนั้นตามดูโดยไม่เข้าไปเพ่งบางครั้งดูเฉยๆบางครั้งดูถึงความไม่แน่นอนว่าหัวใจก็ยังเต้นหนักเบาไม่เสมอกันบางครั้งก็อยู่เต้นไม่มีอะไรแน่นอน แม้กระทั่งหัวใจที่เขาว่าเป็นอวัยวะสาคัญของร่างกายนี้ก็ยังเต้นไม่แน่นอนหลังจากนั้นอาการนั้น น, นก็หายไปแต่บางครั้งก็ไม่หายใจจึงกลับเรียนมาเพื่อขอความเมตตาจากท่านพระอาจารย์คือความจริงถ้าภาวนาใช้อารมณ์ใดเป็นอารมณ์ของการควบคุมใจก็ให้อยู่กับอารมณ์นั้นเพียงอย่างเดียวถ้าใช้การบริกรรมพุโทโธก็ให้อยู่กับพุโทโธไป ไม่ว่าจะมีอะไรปรากฏมาให้รับรูก้ก็อย่าไปสนใจถ้าเราไปสนใจก็แสดงว่าเราเผลอเราไม่มีสติแล้วเราไม่เจริญสติแล้วก็เหมือนกับไปตามรู้เรื่องราวต่างๆที่อาจจะปรากฏขึ้นมาอันนี้เป็นการเสียเวลาเป็นการหลงทางจะไม่จะทาให้จิตไม่สามารถเข้าสู่ความสงบได้ถ้าอยากจะเข้าสู่ความสงบเข้าสู่ความว่างเข้าสู่อุบเบกขาจาเป็นได้ต้องเกาะติดอยู่กับ พุโทโธไปเพียงอย่างเดียวพุโทโธนี้ถ้าเปรียบเทียบก็เปลี่ยนเหมือนกับยานพาหนะที่จะพาเรากลับบ้านเช่นเราเดี๋ยวเราลงเขาเราจะกลับบ้านเราก็ต้องนั่งอยู่ในรถไม่ใช่ว่าพอไปกลางทางเห็นมีอะไรข้างข้างทางแล้วก็กระโดดลงจากรถไปดูไปอะไรปล่อยให้รถเขาวิ่งไปหรือปล่อยให้รถจอดอยู่มันก็จะไปไม่ถึงไหนะ อย่าสนใจขณะเดินทางกลับบ้านไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรปรากฏตามทางก็อย่าไปหยุดรถอย่าไปลงจากรถให้นั่งอยู่ในรถให้ขับรถต่อไปแล้วเดี๋ยวก็จะถึงบ้านเองการบริกรรมพุทโธนี้ก็เป็นเหมือนกับการนั่งอยู่ในรถที่จะพาเราเข้าสู่บ้านของเราก็คือความสงบดังนั้นเวลาเราจะเข้าสมาธิเราเข้าบ้านของเราขอให้เรานั่งอยู่ในรถให้อยู่กับการบริกรรมพุทโธไป ไม่ว่าจะเกิดอาการอะไรต่างๆขึ้นมาเจ็บตรงนั้นคันตรงนี้น้ําตาไหลขนลุกซ่าแสงมีแสงมีสว่างได้ยินเสียงหัวใจเต้นตุ๊บตับ๊บหรืออะไรก็อย่าไปสนใจมันไม่เป็นสิ่งที่จะทําให้จิตใจของเราสงบสิ่งที่ทาให้ใจของเราสงบก็คืออยู่ที่องค์ภาวนาถ้าเราใช้พุทโธก็อยู่กับพุทโธไปถ้าใช้ลมก็เกาะติดอยู่กับลมไปแล้วเราก็จะเข้าสู่ความสงบได้ คำถามข้อต่อไปเป็นคำถามต่อเนื่องจากคุณพ่อเช็ดเท้านะครับหลังจากอาการนั้นหายไปมันก็เป็นความเฉยเฉยอยู่ครับมีแต่ความที่รู้ว่าเฉยเฉยถาเฉยเฉยก็ก็ใช้ได้แต่เฉยมันจะเฉยขนาดไหนยังไม่รู้จะเฉยเต็มที่หรือจะเฉยเพียงในระดับหนึ่งอันนี้ก็ต้องทําต่อไปให้มันเข้าไปเส้ จ, จุดที่ว่ามันเฉยอย่างเต็มที่ให้ได้คือให้มัน หายจากการรับรู้สิ่งต่างๆไปหมดอยู่กับความว่างรุนรุนแม้แต่ร่างกายก็หายไปจากการรับรู้อันนี้จะเฉยยังแท้จริงคำถามข้อต่อไปจากคุณนรพั์นะครับก็ผมนั่งสมาธิแล้วผ่านไปประมาณสามสิบนาทีขาก็เกิดความเจ็บปวดมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็แสดงการบิดงอขณะที่นั่งเกิดขึ้นแรกๆก็ตกใจ แต่พอหลังๆมาก็ดีขึ้นแต่ก็ยังบิดงออยู่เหมือนเดิมจนครบเวลาที่ตั้งไว้หนึ่งชั่วโมงปัจจุบันก็ยังเป็นเช่นนี้อยู่อยากถามว่าเป็นเพราะอะไรและสมควรจะปฏิบัติอย่างไรต่อไปทำไมมันไม่เป็นปัญหาอะไรก็ก็อยู่กับมันไปมันจะเป็นอะไรเราก็ไม่รู้เป็นร่างกายของคุณคุณก็ต้องหาหาดูเอาเองก็แล้วกัน ร่างกายของเรามันเป็นอะไรบางทีเรายังไม่รู้เลย mm hmm. เราจะไปรู้เรื่องของร่างกายของคนอื่นไห mm hmm. มมีมีคำถามที่ก็ถามเรื่องพระพาสังคติ mm hmm. เจอหรือเปล่า่าน mm hmm. เจออยู่เขาอยากจะรู้ว่าทำไมพระพระต้องพ า, พาสังคติบนบ่าเวลาที่ออกมาทาพิธีกรรมต่างๆ mm hmm. แล้วทำไมหลวงพ่อโตท่านพาสังคติในขณะที่ห่มหมคุมบาทั้งสองด้าน คือปกติพระท่านเวลาห่มผ้าเนี่ยท่านมีสองลักษณะเวลาอยู่ในอาว่านี้ให้ห่มเฉวียงบ่าแต่เวลาออกจากวัดไปนอกวัดนี้ให้ห่มกลุ่มทั้งสองบาเช่นเวลาออกปินทบาตทีนี้เรื่องของผ้าสังขตินี่มันมีความเป็นมาอย่างนี้เดิมทีพระจะมีผ้าเพียงสองผืนเท่านั้นคือผ้านุ่งกับผ้าห่มผ้านุ่งก็คือผ้าผ้าสบงผ้าห่มก็คือผ้าจีวร ต่อม า, อามีพระที่มาบวชช่วงหนังหลังนี้จะมีเอนทซีย์อ่อนไม่เหมือนพระรุ่นแรกๆเป็นพระอาลัยทั้งนั้นพรมีอินทรีย์อ่อนนี้จะทนกับความหนาวไม่ได้ก็เลยไปขอพุทธานุญาตว่าขอผ้าห่มพระเจ้าก็ทรงพิจารณาด้วยการห่มจีวรในช่วงยามแรกห่มจีวรถือหนึ่งนั่งถึงสี่ทุ่ม แล้วพอย า, ยามที่สองอากาศเริ่มเย็นมากขึ้นก็ส่งเอาจีวรมาอีกผืนหนึ่งมาหม่มพอถึงช่วงยามสามก็หนาวมากขึ้นอีกก็เลยเอาผ้าจีวรมาห่มอีกมีส ร, รุปแล้วต้องห่มผ้าจีวรสามผืนด้วยกันถึงจะสามารถที่จะทําทให้ร่างกายนี้ไม่หนาวสั่นได้ป้องเลยส่งให้ทําทจีวรขึ้นมาอีกผืนหนึ่งแต่ทําแบบสองชั้น เรียกว่าผ้าสังคาติก็ถือว่าเป็นจีวรสองผืนแต่ให้เย็บติดกันเป็นผืนเดียวแล้วก็เป็นผ้าสังคาติเรียกว่าสังคาติผ้าห่มกันหนาวทีนี้บางเวลานี้ไม่ต้องมีไม่มีไม่มีความจําเป็นที่จะต้องใช้ผ้าสังคาติที่แต่ลาสมัยก่อนนั้นผ้าท่านไม่ได้อยู่ตามกุฏิที่ปลอดภัยที่สามารถเก็บข้าวของให้ได้ปลอดภัยได้ เวลาไปไหนเนี่ยท่านจึงต้องเอาผ้าทั้งสามผืนไปด้วยเช่นตอนบิณนบาดเนี่ยผ้าป่านี่จะต้องซ้อนผ้าสังคติคือไม่ให้ไม่ให้ทิ้งผ้าไว้ตามลําพังเพราะกลับมาอาจจะถูกขโมยขโมยไปนี่คือธ ร, รมเนียมซ้อนผ้าบินบาดของผ้าป่าพระป่าจะซ้อนสามผืนเลยคือผ้าจีวานผืนหนึ่งแล้วก็ผ้าสังคติสองชั้น ถ๋อ ว, ว่าเป็นสองผืนนะจะห่มผ้าซ้อนสังคติเอกบินธบาตเพื่อที่จะรักษาผ้าไม่ให้ถูกขโมยไปทีนี้เวลาทำพิธีกรรมมันร้อนจะมาห่มสามชั้นมันก็ไม่ไหวก็เลยเอามาพาดบ่าแทนคือให้อยู่ใกล้ตัวตลอดเวลาไม่ให้อยู่ห่างไกลเพราะว่าสมัยก่อนผ้าหายาก อ้านั้นสมัยที่ไม่มีการถวายผ้ากระถิ่นนี้ต้องไปหาผ้าเศษผ้าที่ถูกทิ้งไว้ตามป่าชาผ้าหอ่อศพหรือผ้าที่ทิ้งไว้ตามก อ, องขยะต่างๆสะสมทีละเล็กทีลน้อยจนกว่าจะได้จานวนพอก่อการตัดเย็บนี่คือที่มาของว่าทำไมเวลาพระสมท่านทำพิธีกรรมยังมีผ้าอีกผืนหนึ่งผ้าอยู่บนบ่าอันนั้นเป็นผ้าผืนที่สาม ของผืนผืนที่สามคือเรียกว่าไตรจีวรผ้าสามผืนด้วยกันเท่านี้ก็พอเพียงต่อการอยู่ของพระแล้วสําหรับพระที่มีความมักน้อยสันโดษก็จะถือแค่ผ้าสามผืนนี้ซึ่งเป็นหนึ่งในทุดงควัดคือการถือผ้าไตรจีวรเป็นวัดแต่ถ้าแต่ท่านก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่ห้ามถ้ามีความจําเป็นอยากจะมีผ้ามากไปกว่า น, นี้ถ้ามีาศรัทธา ถวายก็รับไปไ ว, ไว้ใช้ได้เช่นผ้าในในบ้านในเมืองในท่านอาจจะมีพิธีกรรมเยอะมีงานศพมีงานสวดอะไรเยอะใช้แล้วบาทีผ้ามันก็เปื้อนเร็วท่านก็ต้องมีผ้าสำรองมาเปลี่ยนแต่ผ้าป่านี้มักจะไม่มีพิธีอะไรมากนะก็มีเฉพาะฉันกับเวลาบิณฑบาตพระป่าจึงมักจะถือผ้าสามผืนเป็นหลับ ถ้าได้ม า, มากกว่านั้นก็จะสะบับไปบ่อยจากไปทําทานไปเพราะไม่ต้องการที่จะมีภาระกับวัตถุก้าวของต่า ง, างๆเพราะจะทำให้เสียเวลาต่อการภาวนาอันนี้คือคำตอบมีคนก็เขียนถามเกี่ยวกับเรื่องผ้าสังกติส่วนที่หลวงพ่อโตท่านห่มผ้าแล้วท่านท่านเอาผ้าสังคติผ้าไหลก็แสดงว่าท่านไม่ได้ท่านไม่ไดเอาผ้าสังคติมา มาซ้อนกับผ้าจีวานวเวลาท่านก็เลยเอาผ้าสังกะสีอทอดผ้าใบแล้วท่านก็ไปไหนมาไหนไปอันนี้ก็ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ได้ผิดพระวินยัยแต่อย่างใดพระวินัยให้ให้อาให้รักษาผ้าทั้งสามผืนไว้ไม่ให้ขาดจากสายตาอาจารย์ครับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองครับทำไมตอนบินทบาทเนี่ยผ้าป่าเนี่ยถึงข่มจีวอแค่ชั้นเดียว ในขณะที่พัดในเมืองนี่ผมสองชั้นยักเกออพ้าพระป่าส่วนใหญ่ถ้าตามวัดป่านี่ท่านจะห่มสามผืนไอ้ท่านจะห่มซ้อนสามคติด้วยกันซอแต่ที่นี่แต่ที่นี่เราห่มผืนเดียวคเอตอนตอนที่อยู่แม่ห้องสอนก็อากาศหนาวๆครับแต่ว่าก็ห่มแค่ชั้นเดียวแต่ถ้าพระในเมืองเดี๋ยจะสองสองสองชั้นก็คือว่าเราใช้เหตุผลว่าตอนนี้เรามีกุติที่อยู่อาศัย ที่สัตว์เป็นส่วนที่ปลอดภัยเราก็เลยไม่จะเป็นที่จะต้องซอนผ้าทันนิมซอนผ้าสังกติีแต่ครูบาอาจารย์บางทีท่านก็ไม่ไม่ไม่อนุญาตท่านจะถือหลักเดิมก็คือว่าถึงแม้ว่าจะมีที่เก็บอย่างปลอดภัยท่านก็อยากจะรักษาธทันนิมเดิมไว้อยู่ก็จะมีการซ่อนผ้าถ้าอยู่กับหลวงตานี่ท่านจะซ่อนผ้าออกบินราบานทุกครั้ <c oughs> ยกเว้นวันที่ฝนตกเท่านั้นที่จะไม่ซ้อนผ้าเพราะถ้าทับซ้อนอาจจะมันเปียกทีสามผืน เปี่ยนหมดเวลามันไม่มีผืนเปลี่ยนก็นา้าใไหก็เลยเอาผืนเดียวเอาจีวจรสมมติจีวรแล้วกลับมาฝนออกไปบินนาบาตเราเปียกทั้งผืนนี้ก็ยังมีผ้าสังกะิมาห่มแทนได้ที่ต้ออยู่ที่บ้านตากที่เรื่องฝนตกนี่ก็จะใส่สองผืนเลยครับผืนเดียวเวลาฝนตกเวลาต้องการร่มเนี้ผ้าเดียวนะครับเพราะว่าถ้าเกิดฝนนั่นเปียกเรายังมีผ้าผ้าสังกิมามาใส่แทนได้พ้าบางดีฝนแรงๆนีอ้องใ่อะไรเก็บภาษาระดับนิคุติ ทางนี้เราก็แบบว่าย่อนยานทางข้อนี้ก็อ้างว่ามีมีที่กุฏิเก็บรักษาไว้ที่ปลอดภัยแต่ทางผ้าปริยญาเขาไม่ได้ทำอย่างนั้นเขาไม่ใช้ผ้าสังกติแต่เขาใช้ผ้าจีวรสองผืนหม่มเพราะเขา เพราว่าผ้าจีวรผืนเดียวบางแล้วหมไม่เราจะเห็นก้นหรือเห็นไหไรก็ไม่ทราบเลยต้องให้ห่มสองผืนแต่ความจริงมันไม่ใช่เหตุผลที่แท้จริงเหตุผลที่แท้จริงก็อย่างที่เล่าให้ฟังนี้เอเพราะว่าที่จะรักษาผ้าของตนไว้ให้ปลอดภัยนั่นเองแต่ทีนี้ผ้าผ้าสังกติของพระในในในบ้านในเมือง น, นี้เขาจะเอาไว้สําหรับผ้าหลายอย่างเดียวไว้สําหรับทําพิธีกรรมอย่างเดียวเขาไม่เอามาใช้ห่มอะไร เวลาห่มเขาก็เลยเอาผ้าชีวรที่เขามีมีเพิ่มอีกผืนนึงเอามาห่มแทนท่นเองเป็นการรักษาพระวินัยแต่ไม่ได้รักษาตามเจตนาอารมณ์เดิม <c oughs> ลักษณะที่ว่าซ้อนผ้าแ ล, ล้วินทบาดพระอาจารย์และอย่างนี้ถ้าเกิดว่าในขณะที่อยู่ในป่าครับอาจารย์แล้วอากาศมันหนาวเนี่ยเราเอามาใช้สองผืนได้ไหมครับพอาจารย์ ตอนบิณสบายเนี่ยห่มสองผืนก็ข้าพระป่าท่านห่มทุกสองผืนอยู่นะตลอดเวลานี้พระป่านี่ท่านจะห่มจีวรทั้งจวรทั้งสังคติเพราะท่านมีแค่ผ้าสามผืนแล้วเวลาท่านไปทุ่ดงเนี่ยท่านก็ไปอยู่แบบที่ไม่มีที่เก็บท่านมีแค่ที่ชาวบ้านทําให้อันหนึ่งเท่านั้นเองเวลาท่านไปบินสบายถ้าท่านกลัวว่าผ้าสังคติจะหายท่านก็เลยท้องซ้อนไปด้วย อาของบริขัรติดตัวไปหมดเลยบาด ก, ก็เอาไปด้วยไปหมดไปหมด <c oughs> บององท่านก็มีอย่างจีวรไอ้อ ม, มีมีอะไรมีที่กองนะมีใบมีดโกนก็ใส่ ย, ย่ามแล้วก็สะพายย่ามไปด้วยบางที <c oughs> ่กลับมาเจอลิงมันค้นมัน ค, นนคว้ามั <c oughs> มนมันลือ้อมันขโวยไปได้ก็เลยต้องอาติดตัวไปอัฐบริขารนี่ต้องติดตัวไปเพื่อเพื่อความอยู่รอดะ อะไรแบบเงียบๆให้ทําไม่ได้เลย <c oughs> คือที่อยากจะทําแบบเงียบๆเพราะอย่างไม่อยากจะให้เป็นการเลี่ลยลไรพอคนดูแล้วนี่เหมือนกับว่าเราเลี่ลยไรงั้นเวลาเราทำอะไรนี่เราพร้อมแล้วเราทําเลยจบไม่เลี่ยลายอะไรทั้งนั้นเข้าใจไหมที่บางทีมันทําอะไรทําคนเดียวไม่ได้ต้องอาศัยคนอื่นช่วยทํำให้ เราคนอื่นเขาก็ช่วยทําเขาก็เลยไปพูดกระจายเขาไม่รู้ว่าไม่ควรจะพูดเขาก็พูดกันแต่ถ้าเขาออกอ่านในตัวที่แช ร, ร mm hmm. กเลยกลายเป็นเรื่อง mm hmm. เป็นราวันขึ้นมาเป็นหมดเพียง mm hmm. แต่ยังเป็นการเพียงแต่กา ร, รเริ่มการที่จะทำเท่านั้นเองแต่ยังไม่ได้ทําอะไรเป็นรูปเป็นร่าง mm hmm. คือทําอะไรอยากจะทําแบบ คนรู้น้อยๆน่ะมันดีรู้มากแล้วมันอ ม, นมันมันตัวแปรเยอะมันตัวอยากจะมามาวุ่นด้วยมันเยอะก็เลยเคยนี่บอกว่าอยากให้ทำบุญตามรัธยายสายง่ายที่สุดแล้วเราพอมีปัจจัยที่สมควรที่จะทำะรายได้เราก็จะทำของเราไปแต่เราไม่ชอบทำแบบไม่รูปแบบว่าประกาศบอกบุญขอรเรอยไร เพราะว่ามันมันไม่ใช่ทางของการการปฏิบัติที่ทำเพราะว่าเงินมันมีมากเกินไปเก็บไว้เฉยๆไม่รู้จะไปทำอะไรก็พอมีช่องทางที่จะทำประโยชน์อะไรได้ก็ทำมันไปแต่ไม่ทำเพื่อประกาศเพื่อจะได้เรียรายของเงินมาทำอันนี้ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ต้องการเงินจากใครที่มันมาแล้วก็ต้องหาวิธีใช้มันไปให้เกิดประโยชน์ ก็เลยต้องทําแบบไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ให้ใครมายุ่งมาเกี่ยวข้องเข้าใจไหมเพราะถ้าไปพูดแบบว่าต้องการซื้อรถโรงพยาบาลเดี๋ยวคนก็อ้าวหลวงพ่อเรียรายขอรถอีกแล้วเออจะสร้างตึกโรงพยาบาลอ้าวหลวงพ่อเรียรายขอเงินสร้างโรงพยาบาลอีกแล้วมันกลายเป็นเรื่องการขอไปหมดเลยอันนี้ไม่ได้ทําอย่างนั้นไม่ได้การขอเงินต้องการใช้เงินให้มันหมดอที่เงินที่เขาทําบุญมาเนี่ยมันยังไม่ได้ใช้มีเก็บไว้ก็ ถ้ามีเหตุมีผลที่ควรจะเอามาใช้ให้เกิดคุณเกิดประโยชน์ก็จะเอามาใช้ เ, เวลาใช้เลยไม่จําเป็นจะต้องประกาศไม่ต้องเรียลายไม่ต้องขออะไรใครเพราะมันมีอยู่แล้วเข้าใจรึเปล่าที่เราทําั้งหมดวดนด้ถึงไม่เคยบอกใครทาราําศาลาทําอะไรทํำแค่ทําแค่นี้เราไม่ขอเรียลายใจากใครเพราะมันมีอยู่แล้วเงนินเันไม่ต้องขอจากใคร นัามันมีเหตุมีความจำเป็น่าต้องทำก็ทำมันไปฉะนั้นขอทำความเข้าใจไว้อย่างนี้เพราะว่าไม่อยากจะให้เกิดในรูปแบบว่าเหมือนกับว่าเป็นการเรียลล่าเป็นการขอเงินเพราะไม่ต้องการเงินจากใครที่ทำเพราะว่ามันมีมากเกินไป เข้าใจไหมมีแล้วมันเป็นภาระหรือ ว, ว่าถ้าเราไม่ทําประโยชน์เราตายไปคนหนึ่งเขาไปทําอะไรเราก็ไม่รู้งั้นก่อนที่เราตายเราทํำก่อนดีกว่าแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ทําก็ไม่เคยทํามาตั้งนานตั้งแต่บวชมานี้ก็ไม่เคยทําอะไรก็เพิ่งมาเริ่มทําเนี่ยช่วงหลังๆนี่ก็ทําแค่ทําที่ปฏิบัติทำเพราะว่ามัน ที่ปฏิบัติทำนี่ความจริงก็ไม่ต้องเรียกไม่ต้องบริจาคเ้าก็มีเงินทาให้ได้เราถึงบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องเรียรายไม่ต้องอะไรน <c oughs> ั้นขอให้เข้าใจหลักของการทำงานของเราว่าเราทำอย่างนี้เราไม่ได้ทำเพื่อเหมือนกับว่าหาเหตุเล็กน้อยว่าจะทำนี่นแล้วก็จะได้ประกาศเรียลักลยกันจะได้มีเงินไหลเข้ามาเทมาเนไม่ใช่ไม่ต้องการ ที่ทำต้องการให้เงินไหลออกไมหมต้องการไหลเข้าเพราะมันมีไหลเข้ามันไม่ค่อยได้ไหลออกเท่าไหร่ทุกวันนี้มันมีแต่ไหลเข้าไหลเข้าอยู่ตลอดเวลามีเข้าใจว่าทุกๆคนก็เป็นท่านเนี่ยเป็นคนที่พวกเราเคารพนะคะก็ให้ทำกับท่านก็เป็นความสุขใจอย่างยิ่งพ อ, อ, อถึงเราให้สังว่านี้ที่เราทําก็ทําแบบในรูปแบบนี้นะ ถ้าอยากจะทำบุก็ทำไปตามอธัธยาสัยถึงเวลาจะทำอะไรมันก็คล่องกว่าคล่องกว่าที่จะต้องมาแยกบัญชีว่าทำไอ้นี่นทำไอ้นี่ปวดหัวตายไปยมดแยกบัญชีกันซีดีหนังสือหนังสือกำลังใจหนังสือจนฬาทางหัว <c oughs> แยกรายการปวดหัวไปหมดไม่มต้องมาทำอะไรแล้วมันต้องทำบัญชีแยกกับรายการต่างๆเหล่านี้ก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วเข้าใจไ้ม คือญาตโยมทมําบุญได้ตลอดเวลาวันไหนมีความศรัทธาอยากจะทําก็ทําได้เลยไม่ต้องรอให้มีโครงการนั้นโครงการนี้แล้วค่อยมาทํากันนะเดี๋ยววันเกิดอยากจะทําบุญก็ทําไปวันไหนอยากอยากจะสบายใจอยากจะทําก็ทําไปส่วนคนรับจะเอาไปทําอะไรก็ก็ปล่อยคนรับเข้าไปทําให้เขาพิจารณาดู ว, ว่าอันไหนควรอันไหนไม่ควรก็ทําไป แต่ถ้ามาให้ทำอย่างนุ้นทางนี้บางทีมันรับตัวและบางทีถับตามไม่ได้มันก็จะเป็นปัญหาขึ้นมาใช้เงินไม่ถูกเจตนาของผู้ให้ก็ไม่ถูก <c oughs> ถึงไม่อยากจะรับในรูปแบบนะ